สนุกไหมครับเรื่องเมื่อกี้มันให้ข้อคิดอะไรใครตอบได้ไปรับรางวัลจากคุณแม่เลยไหนใครจะตอบมันให้ครับผมผลที่ไปแกล้งคนอื่นเราก็ได้ไดไดรับกรรมนั้นเขาเรียกว่ากรรมตามสนองยอดเยี่ยม สาธุดังดังให้เพื่อนเราด้วยจ้าสาธุคนอื่นคนอื่นจ้ว่าไงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสาธุให้เพื่อนเราด้วยจ้าสาธุจ้าใครจะตอบอีกเอ่ยนี่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนั้นกรรมตามสนองไม่ควรคิดร้ายต่อผู้อื่นไม่ควรคิดร้ายต่อผู้อื่นสาธุดังดังให้เพื่อนเราด้วยจ้า สุดยอดเลยจ้าสุดยอดเลยจ้าควรคิดดีกับผู้อื่นควรคิดดีกับผู้อื่นสาธุทั้งๆอีกครั้งหนึ่งจ้าสาธุามีใครจะไม่ควรคิดไม่ดีกับผู้อื่นอีกไหมดดจ้อาออทถึงแม้เราทําบุญแล้วทําบาปใหม่เราก็อาจจะเป็นคนทําบาปไปเลยก็ได้ โอ้สาธุดังๆอีกครั้งหนึ่งจ้าสาธุคนดีชั่วโมงนี้อาจจะกลายเป็นคนชั่วชั่วโมงหน้าก็ได้คนชั่วชั่วโมงนี้อาจจะกลายเป็นคนดีชั่วโมงหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นปนมมือว่าตามอย่าเกลียดคนชั่วแต่จงเกลียดความชั่วสาธุจ้าสาธุ ถ้าเราเกลียดความชั่วเราจะไม่ทำชั่วแต่ถ้าเราเกลียดคนชั่วเนี่ยเราทำชั่วได้ไหมได้เทวดาเมอกี้เขาเกลียดคนชั่วไงปั๊มไม่ยอมให้ขึ้นสวรรค์แล้วแล้วพอคนชั่วช่วยเขาขึ้นมาเขาก็ยังคิดว่าคนนี้เป็นคนชั่วอยู่ก็เลยแกล้งผักลูกเหล็กลงไปอีกตกลงเขาชั่วหนักกว่าเจ้าคนชั่วอีกคนชั่วคนนั้นเขาอาจจะยิงนกตกปลาฆ่าสัตว์ ฮัลโหลใครเคยทํำบาปมาแล้วบ้างไหนยกมือสูงสูงเพิบโอ้โหเป็นแถวเลยเอามือลงจ้ะใครเคยบี้มดยกมือสูงสูงเพืบอือมใครเคยตบยุงยกมือสูงสูงเพืบอือมใครเคยตบคนด้วยเอ้าเพิบอเอาละจ้ะเดี๋ยวเราไหว้ครูกันก่อนนะเดีย๋ยวอื้มจ้ะอ่ะเดี๋ยวใครนําไหว้ครูกันก่อนนะ จะให้เริ่มหรือยังเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเลยนะเนี่ยฮัลโหลเขาบอกว่าให้คอยญาติโยมอาตมาก็เลยเปิดหนังคอยญาติโยมไปเมื่อกี้นี้ เองเสียงนี่แตเมานิดหนึ่ง ตกลงที่น้ำท่วมกรุงเทพเพราะอะไรก้อนเมกเสียใจร้องไห้มากเลยนะเมื่อกี้นี้ท่วมกรุงเทพเลยท่านผู้ว่าก็ไม่อยู่ด้วย <c oughs> No! No! <laughs> <laughs> no! No! No! <laughs> <laughs> เรื่องมื่อกี้ให้ข้อคิดอะไรเออพลึบแน่ไม่ลอยไม่ลอยไม่ลอยไปแล้วไม่กําลังลอยลอยลอยลอยไปหานะเฮ้ย <c oughs> นึกไม่ออกเว้ยไม่ควรทําให้คนอื่นลําบากใจไม่ควรทําให้คนอื่นลําบากใจสาธุดังๆให้เพื่อนเราด้วยจ้า <c oughs> สาธ <c oughs> ุจ้าจ้ใครมีความคิดเห็นอื่นอีกอยากเหมือนกันเนาะอันนี้ยากจ้าอันนี้ยาก อันเรื่องแรกยังไม่ยากเท่าไหร่เรื่องนี้ยากเจ้านกอะไรที่เขาไปเอาลูปสัตว์ต่างๆไปนกนกอะไรเอ่ย ก, อ ก, กะยางนะว่าเอากะยางมีมีกะยางมัง่งมีกระสามั่งนกอะไรเอ่ยเมื่อกี้เนี้ยผ ม, อมขอตอบอีกนะอควรทำให้คนอื่นดีใจ ควรทำให้คนอื่นดีใจนกเมื่อกี้เขาอดทนไหมอดทนด้วยจ้ะอ่ะจ้ะตอบจ้ะไม่ควรคิดร้ายกับผู้อื่นไม่ควรคิดร้ายกับผู้เอาสาธุดังๆด้วยจ้ะเอาสาธุเออเขาก็ไปไปของเขาได้เลยจ้ะเอาละจ้ะเดี๋ยวเราไหว้ครูกันพนมมือจ้ะพนมมือน้อมกายวาจาใจบูชาคุณพระ รันาตนไตรพร้อมๆกันอะรหังดังๆจ ะ, 1, 2, ะหนึ่งสองสามอะระตังกลาพุทโธเมนาโทรพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราจ้ะสวา โมเมนาโธประธรรมเป็นที่พึ่งของเราจา้สานนาววะสุปาตินโมพาพาวะโตสาวกะสังโฆสังังนะมกราบสังโฆเมนาโธจ้ะเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเชิญนั่งกันตามสบายปรบมือห้าครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมปรบตักห้าครั้งปรบให้ดังกว่านี้ ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมตกพื้นห้าครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมปรบมือห้าครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิม ดึงหูห้าครั้งเวลาดึงมันต้องดังจึ๋งจึ๋งจึงจึ๋งจึ๋งดึงหูห้าครั้งดึงให้ดังกว่านี้ดึงใหม่อีกทีดึงให้ดีกว่าเดิมเคาะหัวห้าครั้งก๊อกก๊อเคาะให้ดังกว่านี้ ขอใหม่อีกทีขอให้ดีกว่าเดิมสุดยอดเลยสาธุดังๆให้ตัวเองด้วยสาธุดังๆให้เพื่อนๆ เ, เราด้วยคนน่ารักทั้งนั้นเลยจ้ะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเนาะจ้ะใครเคยรู้จักหลวงพ่อแล้วบ้างยกมือสมโสมตกหลงหลวงพ่อแลวหลวงปู่เนี่ย ฮะเพิ่งรู้จักใช่ไหโอเคเพิ่งจะรู้จักกันน ะ, นะนรู้จักป้ายหนะ้าโรงเรียนจ้ะไม่รู้ใครไปถ่ายอันนั้นน่ะร้อหรออันนี้ขีเละขีเล่ เ, ลเนี่ยคนขีเล่เขาถ่ายให้สวยได้นนสุดยอดสาธุเด้วยตากล้องก็ด้วยจ้จะตั้งแต่เห็นรูปตัวเองมาเพิ่งจะเห็นรูปนั้นน่ะรอมาก <laughs> จ้ะอ่ะก็หลวงพ่อชื่อพระประสงค์นะพระประสงค์ปะริ ปุนโนาปาริปุโนโณก็ปกติอยู่ประจำที่วัดป่าชิคาโกอเมริกายกย ก, ยกนิ้วมือขวาขึ้นหนึ่งนิ้วเดี๋ยวพ่อหลวงพ่อนับหนึ่งถึงสนะช่วยชี้ไปอเมริกาด้วยชิคาโกมันอยู่ทิศไหนเตรียมตัวนะมันอยู่ทิศไหนเตรียมตัวหนึ่งสองสามพรึบโอ้โหแล้วจะไปถูกไหมเนี่ย มันอยู่ทิศนี้ชิคาโกอยู่ทิศนี้ถ้าเรามีปืนเลเซอร์นะยิงทะลุ ป, ปุ๊ไปจะไปโผล่ที่วัดหลวงพอ่อเลยแหละเวลามันจะห่างกันสิบสองชั่วโมงตอนนี้ที่นี่บ่ายโมงครึง่งเพราะฉะนั้นที่ชิคาโกกี่โมงตีหนึ่งครึ่งจะ้ะโรคเรามันกลมหรือแบนกลมจะ้ะเพราะฉะนั้นชิคาโกจะอยู่ข้างล่างของเราตอนนี้อยู่ข้างบน แล้วเวลากลางคืนลงไปอยู่ข้างล่างหัวทิมเลยใช่ไหมไม่นะมันใหญ่มากโลกมันใหญ่มากจะก็ตอนนี้อากาศยังหนาวอยู่เหมือนกันที่นู่นยังหนาวแต่หนาวไม่มากแล้วมีคนถามว่าอากาศที่ชิคาโกเป็นยังไงหลวงพ่อบอกอากาศชิคาโกมีอยู่สามหน้ามีหนาวหนาวมากแล้วก็โคตระหนาวผมแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะ มันหนาวจ้ะถึงเวลาหน้าหนาวอากาศลบสิบองศารลบยี่สิบองศาเลยแหละจะกินน้ำแข็งนะเวลาจะกินน้ำแข็งเอาน้ำใส่แก้วแล้วไปตั้งไว้หน้าวัดสองสมชั่วโมงก็เป็นน้ำแข็งแล้วตอนหลวงพ่อไปใหม่ๆพอดีมันช่วงพายุพายุหิมะหิมะภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะนานยอดเยี่ยมเลยสาธุยตัวเองด้วยสา เขาเรียกสโนมีบางคนบอกสโลสไม่ใช่นะสโนจ่าสโนเป็นหิมะออตอนไปใหม่ๆพอดีพายุหิมะมันเข้าปรากฏว่าพอตอนเช้าจะเปิดประตูวัดเปิดไม่ได้หิมะสูงเมตรกว่าคลุมหมดเลยรถเก๋งเห็นแต่หลังคารถมันคลุมหมดแล้วขาวโพงไปหมดทั้งเมืองเลยเปิดประตูไม่ออก โยมเขาต้องมาเปิดให้ก็คือตามถนนเนี่ยมันจะมีรถที่เขาจะเป่าหิมะออกไปดูขนหิมะเขาเขาเรียกว่าโอเป็นแบบรถอะไรอะ่ะคือปาดหิมะเข้าข้างทางแล้วเขาก็มาขุดเอาหิมะตรงหน้าวัดออกเราจึงเปิดประตูออกไปได้พอเปิดประตูออกไปหลวงพ่อไม่ไปเฉยๆเอาแก้วไปด้วยไปถึงปั๊บก็ ป่าหิมะข้างบนแล้วก็เอาเฉพาะตรงกลางอัดใส่แก้วอัดใส่แก้วอัดใส่แก้ ว, กวเข้ามาในวัดแล้วเอาเฮลบูบอยเทโอ้โหอร่อยมากๆนะ <c oughs> ประทับใจออกไปเอาใหม่อีกทำให้เพื่อนด้วย <c oughs> ปรากฏไม่มีใครฉันไม่มีใครกินเลย <c oughs> พอไม่มีใครกินปล่อยเอาไว้พอหิมะละลายประกาศโปรดทราบส ก, กรปรกมากๆ ขีผงขี้ฝุ่นเต็มไปหมดเลยจ้ะเราเห็นมันขาวๆแต่ว่ามันสกรปรกนะมันสกรปรกเพราะว่าพวกฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศแต่เรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นวันนี้จริงๆอะตมาไม่ทราบว่าจะต้องมาเจอเด็กนะเขาบอกให้มาพูดกับผู้ปกครอง <c oughs> <c oughs> พอเห็นเด็กเดินเข้ามาปั๊บรีบเปลี่ยนโปรแกรมข้างหน้าเลยจะหากระตูนอยู่ต้องพักหนึ่ง ที่จะเอามาดีไหมเมื่อกี้นี้การ์ตูนจะเอาไว้อีกไหมเดี๋ยวจะฝากอาจารย์ไว้นะฝากหลวงพอ่อองค์นั้นชื่อหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่ออะไรนะเอกวุฒิเรียกหลวงพ่อหรือหลวงปู่อโอเคแค่หลวงพอ่อพอหลวงพอ่อเอกาวุฒินะก็เมื่อกี้นี้ได้คุยกับท่านใช้ได้นะยังฉายอยู่จ่ะพอดี เอขึ้นมาไหมขึ้นนะนะอ่ะเดี๋ยวเขามาถามว่ามันยังฉายอยู่หรือเปล่าก็ยังฉายอยู่จ้ะเดี๋ยวมาดูตอนนี้คนเขาพยายามที่จะพัฒนาทีนี้คนคิดเขาก็คิดไปเรื่อย์นะดูเจ้าคนนี้เจ้าวัยรุ่นคนนี้เขาพยายามคิดวิธีการแปลงปัจจุบันสมัยใหม่ อย่าไปทำนะเข้าใจเจ้า <c oughs> คือถ้าจะคิดพัฒนาก็พัฒนาให้ได้เรื่องได้ราวอืไปคิดบ้าบ้าบอดีกระแทกปุ้งนะ่ะฟันกระเด็นออกไปเลยแหละเพราะฉะนั้นเด็กๆ เ, เนี่ย บางทีความคิดมันจะมีอะไรแปลกๆนะก็ดูว่าเวลาจะคิดอะไรก็คิดให้มันเป็นประโยชน์คิดให้มันเข้าท่าตักนิดหนึ่งนะแล้วก็ลองดูจะต่อไปถ้าจะคิดอะไรตั้งใจให้ดีอ่อ่ ะ, อะไหนๆพวกเรามากันเดี๋ยวมีอะไรฉายเขาบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ AEC กำลังจะเข้ามาละ มีคำพูดแง่คิดเขาบอกว่าถ้าไม่ผลิตฝุ่นให้คนอื่นกินก็ต้องกินฝุ่นจากคนอื่นเข้เขาใจไหมมันหมายความว่าอย่างไรถ้าไม่ทําฝุ่นให้คนอื่นกินก็ต้องกินฝุ่นของคนอื่นค่ะต้องก้าวหน้าเร็วสาธุดังๆให้เพื่อนเราด้วยไม่นึกว่าเด็กจะรู้นะเนี่ยโอ้ดูเดือดมากต้องก้าวหน้าเร็วกว่าคนอื่น AEC กำลังจะเข้ามา AEC แปลว่าอะไรเอ่ยมันมันคืออะไรอาเซียนอ่ามันมีกี่ประเทศนะ ใ, นใบขนาดนี้แล้วกี่ประเทศสิบ <c oughs> ประเทศอ่ามีเยอิบประเทศประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในจำนวนสิบประเทศโอ้ตรงนี้น่าสนใจมีคนบอกว่า ของประเทศไทยอยู่อันดับแปดเนี่ยก็ถามเขาว่าถามว่าทำไมอยู่อันดับแปดเขาบอกว่าอีกสองประเทศส่งข้อมูลไม่ทันตกลงของเราเขาจัดให้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่สิบเลยนะหลวงพ่อไปที่สิงคโปร์พวกสิงคโปร์เขาบอกว่า เอาเด็กไทยสิบคนมาแรกกับเด็กของเขาคนเดียวเขาไม่เอาหลวงพ่อถามว่าทำไมเขาบอกว่าเด็กไทยไม่มีคุณภาพควบคุมตัวเองไม่เป็นบังคับตัวเองไม่ได้ในห้องประชุมไม่ให้เล่นเขาก็เล่นในห้องเรียนไม่ให้เล่นก็เล่นไม่ให้คุยเขาก็คุยไม่ให้กินขนมมันก็แอดกินขนมในห้องโชคดีว่าพวกเด็กนิสัยเหล่านั้นไม่มีอยู่ในกลุ่มพวกเราเลยสาธุได้ร สิงคโปร์บอกเอาเด็กไทยสิบคนไปแลกเด็กของเขาคนเดียวเขาไม่เอาเพราะว่าเด็กไทยไม่มีคุณภาพควบคุมตัวเองไม่เป็นแล้วก็บังคับตัวเองไม่ได้โดยเฉพาะพวกลูกคนเดียวกับพวกลูกคนเล็กอบริษัทญี่ปุ่นบริษัทสิงคโปร์ตอนจะรับคนเขาทํางานเขาจะดูแฟ้มประวัติถ้าเป็นลูกคนเดียวเขาเอาแฟ้มประวัติทิ้งไปก่อนใส่ตะก้าไว้ถ้าเป็นลูกคนเล็กเอาแฟ้มประวัติใส่ตะก้าไว้ก่อนแล้วเอาคนอื่นรับคนอื่น จนกระทั่งหาใครไม่ได้แล้วค่อยไปดึงจากตะก้าขึ้นมาว่าจะเลือกใครมาสัมภาษณ์ใครเป็นลูกคนเดียวมั่งในยกมือสูงสูงพลึบมาแล้วใครเป็นลูกคนเล็กยกมือสูงสูงพลึบมาอีกแล้วใครเป็นลูกคนกลางยกมือสูงสูงพลึบใครเป็นลูกคนโตยกมือสูงสูงพลึบใครยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นลูกคนไหนยกตกลงถามนิดหนึ่ง วันนี้ไม่เทศนะไม่เทศแต่มาคุยกับพวกเราเวลาคุยจะมีการถามการตอบภาษาบาลีเรียกว่าปุจฉากับวิสัชนาะดังๆปุจฉากับคำว่าปุจชาแปลว่าถามคำว่าวิสัชนาแปลว่าถ้าหลวงพ่อใช้คำว่าพระอาจารย์ได้ไหมนะเดี๋ยวซ้ำกระหลวงพ่ออันนี้เป็นพระอาจารย์ถ้าพระอาจารย์ พูดคําว่าปุตช่าแสดงว่าพระอาจารย์ต้องการที่จะถามพวกเราก็จะช่วยกันพูดดังๆว่าวิสัชนาแปลว่าพวกเราจะช่วยตอบตอบไม่ได้ก็จะก็ช่วยตอบว่าไม่ทราบนะพระอาจารย์ก็จะให้เลือกว่าจะเอาตัวช่วยหรือจะเปลี่ยนคําถามตกลงไหมตกลงจะถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยจะ ปุดฉาเมื่อวานไปเจอเด็กเขาถามคุณปู่บอก ป, ปู่ปู่ประเทศอะไรที่มีผู้ชายน้อยที่สุดในโลกปู่ก็ตอบสารพัดประเทศพวกเราตอบได้ไหมเขาบอกอเมริกาก็ไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่รัสเซียไม่ใช่เจริมันไม่ไม่ใช่ก็เลยถามบอกว่าเอาตกลงยอมแล้วประเทศไหนที่มีผู้ชายน้อย เด็กเขาตอบบอกว่าประเทศชายนิดเฮ้ยมันตอบมันได้ยังไงไม่รู้เราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะบอกว่าชายนิดผู้ชายนิดเดียวมีผู้ชายนิดเดียวเดี๋ยวนี้บางทีกับเด็กๆเนี่ยบางทีเราจะงงเราจะงงเราจะไม่ไม่เวลาเขาถามปัญหานี่งงถ้าผู้ ผู้ใหญ่เมื่อก่อนเวลาถามปัญหาจะบอกว่าอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้องเราก็ตอบว่าเต่าเลยแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่ถามกันอย่างนั้นถามว่าถ้า ง, งูตกลงไปในถังขยะแล้วมันจะฉกอะไรผลออกมาเขาบอกว่าฉกกระปกออ <laughs> เออมันคือ คือเด็กรุ่นใหม่อะตมาก็ตามเขาไม่ทันนะตามเขาไม่ทันเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะที่มีพวกเขาเป็นลูกๆเนี่ยพวกนี้คือปรามาจารย์ที่จะมาสอนกรรมาฐานพวกเราเข้าใจใช่ไหม <laughs> พวกนั่งเก้าอี้เนี่ยข้างล่างคืออาจารย์กรรมาฐานแล้วกรรมาฐานของเขาจะมาแปลกๆมาแบบอัศจรรย์ตีลังกามามั่งหกขเมนมามั่งดำน้ำมาบ้างแบบเนี้ย เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมใจไว้ให้ดีเวลาเจอกรรมฐานแบบนี้ดึงลราให้ใจยาวๆพอเขาเริ่มมีปัญหาก็คุณโยมที่นั่งเก้าอี้นะช่วงนี้ชี้แนะ่พอหันมาทางนี้เริ่มมีปัญหายโยมก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอก <c oughs> โอเคใช้ได้เลยคือคือรักษาใจให้เป็นปกติก่อน แล้วก็จะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ค่อยว่ากันไปอ่ะเมื่อกี้เล่าถึงชิคาโกโอ้โหแล้วก็ไปถึงสิงคโปร์ไปหลายที่เลยถามพวกเราว่าคนจีนกับคนไทยเนี่ยใครขยันกว่ากันทราบัหมคนจีนเขาบอกเอาคนคนไทยสองคนไปทำงานได้เท่ากับคนจีนหนึ่งคนแล้วยังมีขยันกว่าจีนอีกเอาจีนสองคนไปทำงานได้เท่ากับ ญี่ปุ่นหนึ่งคนและยังมีขยันกว่าญี่ปุ่นอีกเอาญี่ปุ่นสองคนไปทํางานได้เท่ากับเวียดนามหนึ่งคนคนไทยสองคนทํางานได้เท่ากับคนจีนหนึ่งคนคนจีนสองคนทํางานได้เท่ากับญี่ปุ่นหนึ่งคนญี่ปุ่นสองคนทํางานได้เท่ากับเวียดนามหนึ่งคนปุชชาดังๆปุชชา แล้วตกลงเวียดนามหนึ่งคนทำงานเท่ากับคนไทยกี่คนแปดคนแปดแน่เขาดูถูกคนไทยมากเกินไปไหมมากเกินไปเขายังไม่มาเจอคนไทยในห้องนี้อย่างกลุ่มพวกเราต่อให้เอาเวียดนามแดคนมาแลกกับคนของเราคนเดียวเราก็ไม่เอาเพราะคนของเรามีคุณภาพมากกว่าเขาสาธุดังๆให้ตัวเองด้วย มันมั่นใจว่ามันมีคุณภาพมากกว่าคนที่มีคุณภาพก็คือถึงเวลาตอนเช้าพอในกาปลุกกรี้งจะกระโดดพึ่งขึ้นมาจากที่นอนเลยแต่มีบางที่นะพอปลุกกรี้งมันจะเลื้อยไปกดดับแล้วหลับต่อโชคดีว่าพวกนิสัยเหล่านั้นไม่มีอยู่ในกลุ่มนี้เลยสาธุเนอ่ย บางคนแต่อย่าว่าแต่เลื้อยไปกดดับแล้วหลับต่อนะขนาดแม่ดึง拉กลงติลงจากเตียงมาแล้วมันยังมันหลับอยู่ขาเตียงอะ่ะ <c oughs> เออนะก็ตรงนี้คือสิ่งที่ต่างชาติเขาดูถูกคนไทยเดี๋ยวเรามากําหนดกติกากันนิดหนึ่งวันนี้พระไม่ไม่ได้เทศพระอาจารย์ไม่เทศแต่จะมาคุยเพราะฉะนั้นเวลาจะคุยเนี่ยต้องมีกติกาถ้าพระอาจารย์พูดคําว่าสะอาดให้พวกเราเอามือปรบเข่าหนึ่งครั้ง สะอาดโอ้โหยอดเยี่ยมสงบสง่างามยืดตัวขึ้นเอาใหม่สะอาดสว่างสงบสง่างามยืดโอ้โหสุดยอดเลยชั้นหนึ่งเลยเวลานั่งมันจะมีนั่งแบบนางพญากับนั่งแบบนางเียานะของเรานั่งแบบนางพญาเลยสง่างามจ้ะ ตกลงกันแล้วนะมาทาไมคนจีนจึงขยันกว่าคนไทยเพราะอะไรทราบไหมคนจีนมาจากผืนแผ่นดินใหญ่ประเทศเขาแร้งแคนมากเลยทุ่กันดานมากดินแตกละแหงในที่สุดเขาก็เลยขึ้นเรือมาเมืองไทยพระจารย์มีโอกาสไปถามอาแปะคนหนึ่งบอกอาแปะ เขาบอกว่าตอนเอแปะมาเมืองไทยคนจีนมาเมืองไทยส่วนมากมีอะไรติดตัวมาทราบไห ม, มเสือ้อผืนหมอนใบพระจารย์ก็ถามเอาแปะเขาบอกตอนเอาแปะมาเมืองไทยมีเสือ้อผืนหมอนใบใช่ไหมเอาแปะหัวเราะห่ห ห, หเสื้ อ, อ้วกก็ไม่มีหมองอ้วกก็ไม่มีเมาทะเลมังกทะเลหมกนะพระจาย์ก็ถามแล้วเอาแปะทำอย่างไรทำไมมาสร้างลมน้ำปลาได้ต้อง ไหลรงลงน้ำแข็งอีกเต็มไปหมดเลยอแปะบอกอออ้วมีสองคอกทงกับทงอกอแปะมีอดทนกับทนอดมาสู้ชีวิตคนจีนนั่งเรือมาพราะเห็นพื้นดินเขียวเขียวแค่นั้นอ้วไม่ตายเลีว้วอ้วไม่ตายเลี้ยวมาถึงปับ๊บลงจากเรือได้อแปะอาม่าอาตีไปถึงลุยทำงานเต็มที่พอได้เงินปับ๊บก็ไปซื้อข้าวมา คนจีนจะชอบกินข้าวหลอกลวงข้าวหลอกลวงรู้จักไหมข้าวต้มมาต้มต้มจนเปื่อยเลยต้มหลอกลวงนะคนจีนชอบกินข้าวต้มเขากินข้าวต้มกับอะไรทราบไหมก้อนกรวดแช่เกลือถึงเวลากินก็ตะเกียบคีบก้อนกรวดดูดเค็มๆวางก้อนกลวดแล้วก็พุ้ยข้าวต้มเวลาพุ้ยต้องดัง เสร็จปั๊บก็ตะเกียบขีดก้อนกรวดอมเค็มๆวางแล้วพุ้ยข้าต้มพอกินเสร็จก็เอาก้อนกรวดไปล้างแล้วแช่เกลือไว้ต่อแล้วปิดลุยทํางานอีกเต็มที่พอได้เงินปั๊บตอนนี้ไปซื้อปลาเค็มมาตัวหนึ่งพอถึงเวลาจะกินทราบไม่ทําไงเอาเชือกเอาเชือกผูกหางปลาเค็มจะ้ะผูกหางแล้วก็เอาไปห้อยไว้กลางโต๊ะ ค่อยไว้กลางโตะแล้วถึงเวลาจะกินก็ตะเกียบคีบก้อนกวดดูดแล้วมองประเข็มอติมองนานคาราเมลยืดลงมาเตี่ยเห็นมองนานเอามือตบหัวอติลืมมองนางเข้มไต้หานี่นี่คือการต่อสู้ชีวิตของคนจีนพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บกินเสร็จไปทํางานต่อพอทํางานได้เงินปั๊บตอนนี้ เอามาซื้อที่ดินตารางวาหนึ่งสองตารางวาก็เอาคนไทยก็งงซื้อไปทําไมตารางวาสองตารางวาพอซื้อเสร็จตอนนี้ปลูกผักพึบเลยพ อ, อผักเจริญงอกงามขายผักปั๊บซื้อที่ดินขยายต่อปลูกผักพึบขายผักได้ซื้อที่ดินขยายต่ อ, อ, ยยตอจึงมีคำพูดบอกว่าคนไทยชอบซื้อเหล็กแต่คนจีนคนแจ๊กชอบซื้อดิน คนไทยชอบซื้อเหล็กก็คือลูกหลานจะบอกพ่อแม่ขอมอเตอร์ไซค์อ่ะจะซื้ออ่ะอยากได้นะพอได้เ็าเรียกแม่งกระไซได้มาได้มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งเสร็จปั๊บก็สตาร์ทบินแล้วก็บิดตายตายตายตายตา ย, ตายนแล้วก็ไปวิ่งกันทั่วเมืองวันก่อนจับไป4ี่ร้อกว่าคนเท่าไหร่พันเป็นพันคนนะ่ะเด็กแว้นนะ่ะเด็กแว้นเขาจับ แล้วที่นั่งอยู่หลังแหวนเขาเรียกอะไรทราบไหมสก้อยสก้อยไปเกาะหลังไอแหวนวันนั้นเขานิมนต์พระอาจารย์ไปเทศกับพวกแหวนนั่งกันสี่ห้าร้อยคนไว้ผมทรงเดียวกับพระอาจารย์หมดเลยพระอาจารย์ก็งงบอกเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นเจ้าหน้าที่เรือนจําบอกว่าโกนหัวมันให้มันช็อก ไม่งั้นมันไม่เปลี่ยนนิสัยแต่และคนผมยาวกระเซิงกันเป็นแถวเข้าไปถึงปั๊บจับโกนเรียบหมดเห่าเหวเต็มหัวหมดนะพ่อแม่ไปร้องไห้แล้วก็บอกลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันไม่เคยเกเรไปจับเข้ามาทำไมพ่อแม่มันปัญญาอ่อน เขาไม่ได้ไปจับในบ้านเลยจะไปจับกลางท้องถนนเอารถสิบล้อไปกัน้นหน้ากัน้นหลังกัน้นล็อกไว้หมดเลยก็ได้จับแล้วนิมนต์พระจานทร์ไปเทศเราก็ดูพ่อแม่ร้องไห้เขาเป็นคนดีจับมาทําไมพระจานทร์ดูอายุสิบสี่สิบห้าสักลายทั้งขาเลยลายทั้งแขนด้วยมันเป็นคนดีโอ้โหลายเต็มไปหมดเลยตุ๊กแกยังอายเลยตุ๊กแกเห็นหลบเลยลายมันมากกว่าเรานะเนี่ยตรงเนี้ยบางทีพ่อแม่บางคน รักลูกจนกระทั่งไม่ได้ลืมหูไม่ได้ลืมตาไม่ได้ดูพฤติกรรมก็เลยโชคดีพวกพ่อแม่แบบนั้นไม่มีอยู่ในกลุ่มนี้เลยสาธุได้ไหมสาธ ะ, ะ่กลับมาดูพอพระจานยร์ไปเทศวันอาทิตย์นี้เทศกับพวกแว้นเสร็จเรียบร้อยพออาทิตย์ต่อมาเขานิมนต์ไปเทศกับพวกสกอยต่อสกอยก็คือพวกที่เกาะหลังแว้นน่ะ พระอาจารย์ก็งงว่าไอ้คำว่าสกอยมันแปลว่าอะไรมันไม่ใช่ศัพท์ภาษาไทยไปเปิดในพจนานุกรมฉบับรัชบัญญิติยสถานพศ2545ก็ไม่มีอธิบายไว้ก็เลยมานั่งนึกเองว่าสกอยมันมาจากอะไรโยมที่นั่งที่นี่ถ้าเกิดลูกชายไปพาสกอยมาเป็นลูกสะั้ยเนี่ยจะเอาไหมไม่เอา แล้วที่นั่งแถวนี้เคยเป็นสก้อยกันบ้างไหมเลยไวแล้วจะมาเลยไวแล้วจะออาตมาก็นึกว่าสก้อยมันน่าจะย่อมาจากอะไรนึกไปนึกมาอ๋อสก้อยเป็นที่รังเกียจที่รังเกียจแล้วก็เป็นที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นสก้อยน่าจะมาจากสิ่งที่น่ารังเกียจคนไม่ชอบก็อย่างอยู่เมืองนอกก็คือตัวสกังสกงังนี่มันเป็นไงทําไมคนไม่ชอบเหม็น มันตอดเหม็นมันเหม็นมากๆเลยสักังคนไม่ชอบแล้วก็ที่คนกลัวก็คือผีกองกอยอะเพราะฉะนั้นสักังหน้าเออไอสกอยหน้าจะมามาจากคำว่าสักังบวกกับผีกองกอยแล้วออกมาเป็นสกอยเนี่ยคงจะใช่น่ะนะอันนี้มั่วเอาอะนะมั่วเอามั่วเอาก็พยายามที่จะไปเทศบอกให้เขารักคุณพ่อรักคุณแม่กันอะ กลับมาสู่กระบวนการเมื่อกี้บอกว่าคนไทยชอบซื้อเหล็กแต่คนจีนคนแจ๊กชอบซื้อดินจ้ะเขาก็ซื้อแผ่นดินในที่สุดคนจีนก็เลยกลายเป็นเจ้าพ่อแผ่นดินนะมีที่เต็มไปหมดเลยตรงนูน้นห้าไร่ตรงนี้สิบไร่ซื้อไว้ทั่วไปหมดเลยแล้วเวลาไปกับลูกน้องบางทีให้ hey, ที่ตรงนี้สวยแว้นลื่ช่วยสั่งซื้อทีลูกน้องที่ขับรถบอกว่า เท่าแก่ตรงนี้ยเท่าแก่ซื้อไว้แล้วมันจําไม่ได้ว่ามันซื้อแล้วนะพอเห็นตรงไหนก็จะซื้อกันไปหมดเลยกลับมาดูขันบวนการอีกนิดหนึ่งทีนี้ที่ขยันกว่าจีนเอาจีนสองคนไปทำงานได้เท่ากับญี่ปุ่นหนึ่งคนทำไมญี่ปุ่นจึงขยันมากเพราะอะไร ญี่ปุ่นเคยแพ้สงครามโลกสาธุดังๆให้ตัวเล็กด้วยซ้ำเฮ้ยเขารู้เนี่ยอาตมาแกล้งถามโมมัวนะไม่นึกว่าเขาจะตอบหรอกนึกว่าตัวโตวๆจะตอบตัวโตงยับกิบไว้ให้ตัวเล็กตอบอ่ะญี่ปุ่นเคยแพ้สงครามโลกเจอระเบิดเข้าไปสองลูกที่ฮิโรชิมากับนางาซากิจนโกบริหาที่อยู่ไม่ได้น่าสงสารอังสุมาลินมากตอนนั้น ที่จริงตอนนั้นอเมริกาก็ก็ เ, เพิ่งผลิตได้แค่สองลูกแค่นั้นหละจะโยนไปสองลูกก็หมดแล้วบังเอิญญี่ปุ่นยอมถ้าญี่ปุ่นไม่ยอมอเมริกางงนะเพราะตอนนั้นผลิตแค่ได้แค่สองลูกนะก็หลังจากนั้นญี่ปุ่นแพ้สงครามก็เลยต้องทํางานใช้นี่สงครามใช้นี่ใช้นี่ใช้นี่ใช้นี่ใช้แล้วก็พยายามที่จะพัฒนาหาเงินใช้นี่หาเงินใช้นี่หาเงินใช้นี่หาไปหามาเฮ้ยมันรวยขึ้นมาเฉยๆเลยอ่ะ เพราะว่าได้แต่หาตรงนี้สําคัญวิธีการที่จะทําให้เงินเหลือเนี่ยไหนใครอยากรวยๆมั่งยกมือสูงๆได้อยากรวย อ, อยากรวยโอ้โหอยากรวยเป็นแถวเลยเอามือลงอืวิธีการจะรวยเนี่ยบางคนบอกว่าต้องหาเงินก็คือรายรับเสร็จปับ๊บแล้วก็ไปรายจ่ายแล้วที่เหลือคือรายเก็บอันนี้ผิดอย่าไม่เหลือแน่เพราะฉะนั้นจะต้องสลับพอรายรับมาเสร็จปับ๊บหักเป็นรายเก็บ แล้วที่เหลือคือลายจ่ายผลรับมาปั๊บต้องหักเก็บไว้ก่อนว่าจะเก็บเดือนละเท่าไหร่ถ้าคืนรับมาปั๊บจ่ายแล้วที่เหลือคือลายเก็บเนี่ยไม่เหลือฮลัลโหลยังฟังอยู่ไหมพอรับปั๊บหักเก็บเลยแล้วที่เหลือคือลายจ่ายว่าจะจ่ายอย่างไรต้องไงไงต้องจ่ายจนกระทั่งสิ้นเดือนน่ะมาม่าซองแบ่งเป็นสี่มือก็ยอมนะเพราะว่าเราใช้เองบางคนพอต้นเดือนปั๊บกินอุดรุด นักศึกษาพอไปอยู่มหาวิทยาลัยพ่อแม่จะส่งเงินไปเดือนละครั้งต้นเดือนพอส่งปับ๊บมันไปดูหนังไปทําผมไปทําหลอ่ออะไรต่างๆสารพัดซื้อน้ําหอมซื้อสารพัดที่สวยที่หลอ่อเนี่ยเงินพ่อเงินแม่ทั้งนั้นเลยจ้ะเข า, เาไปสวยไปหลอ่อพอปลายเดือนมาแ ม, ามา่ซองแบ่งเป็นสองสัมมื้บริหารเงินไม่เป็นตรงเนี้สําคัญก็รายรับ แล้วก็หักเป็นลายเก็บแล้วที่เหลือจึงก็จจึงค่อยเป็นลายจ่ายจ่ายอย่างไงให้มันชนเดือนของพวกเรายังไม่มีปัญหาไหนใครให้เงินใครใครใครได้สตังค์มาโรงเรียนบ้างไหนยกมือซิใครไม่ได้สตังค์มามีเหมือนกันทำไมจึงไม่ได้สตังค์ไม่ต้องเอาตังค์ใช่เอาจากโอเคเลยไม่จำเป็นต้องใช้ไม่ขอด้วยหยิบเฉย โอ้ oh, ไม่ใช่นะโอเคจะสุดยอดเลยไม่ขอแล้วก็ไม่หยิบด้วยฮะเออถ้าอยากได้ก็ขอยอดเยี่ยมมากน่ารักมากเลยจ่าตรงนี้ตรงนี้สำคัญโอเคนะฮัลโหลยังฟังต่อใช่ไหมยังอยู่นะยังอยู่ครับผม จริงๆเด็กๆบางที่พ่อแม่ยังไม่ได้ให้ใหเงินใช้นะเขาเขาจะทุกอย่างจะมีโรงเรียนหลายโรงเรียนพ่อแม่ไม่ได้ให้สตังค์ไปโรงเรียนเลยจะมาครับอลืมขอด้วยนะแต่ว่ามีเด็กบางคนคือบางทีพ่อแม่ให้เป็นอาทิตย์อ่ะแล้วก็ให้เขารู้จักหัดที่จะเก็บว่าจะเก็บยังไงมีเด็ก อ, อมีคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งอาตมาประทับใจเขามากเลยเขาสอนให้ลูกรู้จักเก็บสตังโดยการซื้อกระป๋องอมสินมาทิ้งสามกระป๋องเขาเอากระป๋องอมสินมาสามสามใบแล้วใบหนึ่งก็คือลูกอยากได้ของเล่นอะไรก็อันนี้ก็คือกระป๋องของเล่นแล้วก็อมสินใบที่สองสำหรับเพื่อการศึกษาของลูก อนาคตการศึกษาส่วนใบที่สามนี่เพื่อแบ่งปันผู้อื่นที่เขาลำบากกว่าเราแล้วก็ให้ตังลูกไปไปโรงเรียนแต่ละวันกะวันเหลือทุกวันแหละวันแรกลูกกลับมาเนี่ยงงอะยืนอยู่กับป๋องสามใบกูจะหยดใบไหนของเล่นก็อยากจะได้การศึกษาก็สำคัญส่วนไอ้แบ่งปันนี่ พ่อแม่ก็ทำแบบนี้แล้วก็คอยแอบดูเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างพอสิ้นเดือนลองไปจับกระป๋ไอ้ไอ้ไอ้ที่เพื่อของเล่นนะเฮ้ยหนักเว้ยหนักหนักพอไปเพื่อการศึกษาเฮ้ยมีเหมือนกันพ่อแม่ก็ประทับใจพอไปถึงสุดท้ายมีจะ้ะพ่อแม่ภูมิใจเฮ้ยลูกเรามีน้ำใจเว้ยเขาไม่ได้เห็นแก่ตัว เขามีน้ำใจเขาก็เผื่อคนลำบากมีเหมือนกันแล้วช่วงนั้นตอนที่มันเกิดปัญหาตอนเนปานแผ่นดินไหวบ้านไม่มีเลยปรากฏว่าเขาเอามาทิ้งสามกระป๋องเลยอะป่องอมสินเอามาบริจาคถามบอกเสียดายไหมเขาบอกก็เสียดายเหมือนกันแต่ว่า เขาไม่มีบ้านจะอยู่ของหนูยังมีบ้านอยู่ไม่เป็นไรเพราะพ่อแม่ประทับใจนะแล้วลูกเขาไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเงินของเขาเองนะตรงนี้ก็เลยบอกว่าจะเผื่อเก็บอะไรไหมเขาบอกถ้าจะเก็บก็คงจะเก็บเรื่องการศึกษานะกันไว้นิดหนึ่งนอกนั้นที่เผื่อแบ่งปันผู้อื่นกับของเล่นเขาไม่เอาแล้วทางนั้นไม่มีบ้านอยู่เนี่ยเด็กเขาคิดเป็น นี่คือการที่พ่อแม่ปลูกฝังให้ลูกรู้จักที่จะคิดฮัลโหลตกลงอาตมาพูดกับเด็กหรือผู้ใหญ่ไว้เนี้ย <c oughs> นะเอาฟังรวมๆกันไปก็แล้วกันนะกลับมาอีกนิดหนึ่งพอญี่ปุ่นเขาทำงานหาเงินได้ส่งของกระจายออกไปทั่วโลกส่งจนกระทั่งอเมริกาก็กลัวญี่ปุ่นเพราะว่า เป็นนี่ดุลการค้าเลยอะญี่ปุ่นส่งของกระจายไปจนกระทั่งอเมริกาก็กลัวตอนหลังพอญี่ปุ่นเริ่มมีความสุขพอยี่ปุ่นเริ่มสบายปับ๊บเขาก็นึกว่าเราเหนื่อยมาตลอดแล้วเพราะฉะนั้นพักผ่อนบ้างมีคนผลิตเกมขึ้นมาพอลังจากผลิตเกมปับ๊บตอนนี้ญี่ปุ่นสนุกสนานกันใหญ่เลยสะอาดสะอาดสว่างสงบ สงางาม โ, โหพวกเราสุดยอดมากพอญี่ปุ่นเหนื่อยปับตอนนี้หยุดผลิตเกมผลิตผลิตเกมตอนนี้สนุกสนานทั่วประเทศสนุกสนานไม่นานประกอบว่าคราบสถิติที่มันขึ้น๊๊มันหยุดชงักแล้วมันลงตึกบๆึบึ บ, บ, บ, บเาก็เลยให้เกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจบ้านเราพอไปดูคนญี่ปุ่นติดเกมกันเยอะแยะแต่ที่น่ากลัวก็คือเด็กๆ ซึ่งเมื่อก่อนเด็กๆจะเรียบร้อยมากเลยเจอผู้ใหญ่ก็ให้เด็กจะใจดีมากผู้ใหญ่ก็ใจดีเจอใครก็ให้ให้ให้ใ ห, ใ ห, หมดเลยจ่ะน่ารักมากทีนี้เด็กเขาเริ่มมีปัญหาพ่อแม่เรียกลูกกินข้าวเดี๋ยวนั่งเล่นเกมเพลินสักพักแม่ลูกกินข้าวบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้เรื่องหรือไงตวาดใส่พ่อแม่เฮ้ย ญี่ปุ่นตกใจลูกเราไม่เคยมีนิสัยแบบนี้เกิดอะไรขึ้นพอไปดูเห็นลูกติดเกมงอน ง, งอมแงมทีนี้ที่น่ากลัวมากฟังให้ดีนะพอญี่ปุ่นเห็นแบบนั้นปับ๊บรวบเลยจากเกมไหนที่ทำให้คนโหดเยี่ยมอมมหิตเกมไหนที่ไปบล็อกความจเจริญเติบโตทางมันสมองเกมไหนที่ไปบล็อกความคิดสร้างสรรค์เขาไม่ขายในญี่ปุ่นเลยเขาส่งไปไหนโอ้โหพี่ไทยเรารับเละเลยจ้ะ ส่งมาทางเอเชียเกาหลีไปเจออีกเด็กเขาไปเล่นแล้วเมามันมากเลยน้องชายเขาไปเล่นเกมอะไรสมัยนั้นเกมไดานาล็อกอะไรนั่นนะ่ะฆ่าอย่างเดียวเลยเกิดมาเพื่อฆ่าเจอใครก็ฆ่ายิงแทงสารพัดเรื่องว่างระเบิดสารพัดหมดเล่นสองสามวันนะ่ะสามวันสามคืนไม่กินข้าวไม่กินปลาออกมาเจอพี่สาวเมานึกว่ายังอยู่ในเกมอยู่เจอมีดเอามีดแทงพี่สาว เสียชีวิตเลยต้องหลายแผลหนังสือพิมพ์ลงข่าวผู้ใหญ่ทางเกาหลีตกใจมากเลยตรงหนังสือพิมพ์อยู่นานก็เลยมาดูเกมไหนที่ทำให้โหดคนโหดเทียมเอามาหิดเกมไหนที่ไปบล็อกความจเจริญเติบโตทางมันสมองเกมไหนที่ไปบล็อกความคิดสร้างสรรค์เขาไม่ให้ขายในเกาหลีเลยส่งไปไหนไ<ป>พิไทยรับเละเ<ป>วียดนามเจอปัญหาอีก เก็บหมดเลยเกมไหนที่ทำให้คนโหดเยี่ยมอำมหิตเกมไหนที่ไปบล็อกความเจริญเติบโตทางมันสมองเกมไหนที่ไปบล็อกความคิดสร้างสรรค์ไม่ให้ขายเลยส่งไปไหนไทยรับเละเลยจ้ะทีนี้เมื่อก่อนเนี้ยผู้ใหญ่ญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิตเกมแล้วส่งมาขายเมืองไทยฟังให้ดีนะตอนหลังเขาบอกว่าเด็กย่อมเข้าใจในหัวใจเด็กด้วยกันก็เลยเด็กญี่ปุ่นผลิตเกมส่งมาขายเมืองไทย มาจนตอนหลังสุดท้ายเขาบอกว่าเด็กย่อมเข้าใจในหัวใจเด็กด้วยกันประกาศปโปรดทราบตอนนี้เด็กปถมญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิตเกมแล้วส่งมาขายเมืองไทยแล้วเด็กมหาวิทยาลัยในเมืองไทยไปซื้อเกมของเด็กปถมญี่ปุ่นมาเล่นเพราะว่าเด็กย่อมเข้าใจในหัวใจเด็กด้วยกันตกลงเด็กมหาวิทยาลัยของเรามันสมองเป็นไง ไม่ไม่ใช่เท่ากับเด็กปถมญี่ปุ่นนะเพราะว่าเด็กประถมญี่ปุ่นหาเงินได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่นหมืน่นแต่เด็กมหาวิทยาลัยเมืองไทยใช้เงินได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่นหมืน่นมหาวิทยาลัยของเราจัดไปดูงานที่ญี่ปุ่นน่ะไปดูงานของเด็กปถมทำอะ่ะแล้วเด็กมหาวิทยาลัยเราทําไม่เป็นด้วยบางอย่างอะ่ะอายเขาเลยแหละไปถึงปับตาค้างหมดเลยกลับมานี่ต้องมาพัฒนาตนเอง เพราะฉะนั้นที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เพียงแต่อยากจะฝากเรื่องการพัฒนาทีนี้มีที่ขยันกว่าญี่ปุ่นอีกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วเดียวอีกนิดเดียวญี่ปุ่นน่ะที่ก็พัฒนาตนเองพระจารย์มีโอกาสเดินธุดงอย่าไปออกชื่อเดินไปที่ชะอํา เดินริมทะเลเดินไม่ได้เขาล้อมรั้วมาเขาบอกเข้าไม่ได้เราก็บอกเฮ้ย hey, ทีส่สาธารณะทําไมเข้าไม่ได้เขาบอกว่าญี่ปุ่นมากว้านซื้อไปหมดแล้วริมทะเลแล้วเขาย้ายคนชลาของเขาเข้ามาอยู่ตอนนี้สร้างทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนสารพัดเลยแล้วคนญี่ปุ่นบินมาเมืองไทยเขาเงินเขาไม่หลุดออกจากวงจรของเขาเลยอ่ะบินมาก็ แย่แปลนแอร์ไลน์ลงมาเสร็จปั๊บนั่งรถญี่ปุ่นไปพักโรงแรมญี่ปุ่นกินอาหารญี่ปุ่นเงินมันไม่รั่วไหลออกมาเขาวนของเขาอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดเฉยๆว่าถามว่าญี่ปุ่นเขามาซื้อที่ที่เมืองไทยเนี่ยเขาเอาเงินจากไหนทราบไหม ประกาศโปรดทราบเขาเอาเงินจากเด็กไทยโง่โง่ที่ไปติดเกมเขาอะแล้วก็เอาเงินที่เด็กไทยไปซื้อเกมจนกระทั่งได้เงินเยอะแยะแล้วก็มาซื้อที่ในเมืองไทยโชคดี ว, ว่าเด็กไทยโง่โง่เด็กไทยปัญญาอ่อนเหล่านั้นไม่มีอยู่ในกลุ่มนี้เลยสาธุได้เอาที่มีมันก็จะเลิกปัญญาอ่อนแล้วสาธุให้มันด้วยเอาติดเกมอะวันวันไม่ได้คิดจะทาอะไรเลยเพอว่างก็หยิบมาเล่นเกม บ้างก็หยิบมาเล่นเกมวันวันหนึ่งอยู่กับแต่โทรศัพท์วันนั้นพูดเรื่องเนี้ย <_ t ask> เด็กมันหันไปอาจารย์แม่แม่หนูคะ่ะไม่ใช่หนูแม่หนูคะ่ะวันวันหนึ่งหยิบอยู่ทั้งวันน่ะขนาดจะกินข้าวลูกต้องเคาะโตะ๊ะแม่กินข้าวก่อน <_ t ask> เฮ้ยเดี๋ยวนี้ลูกต้องสอนแม่นะโชคดีพวกแม่เหล่านั้นไม่มีอยู่ในกลุ่มนี้เลยสาธุเลย <_ t ask> คือเล่นจนไม่รู้เวลาแม้แต่บนเตียงนอน อากาศปรดทราบเตียงนอนคือเตียงนอนเตียงนอนไม่ใช่เตียงเล่นลายโต๊ะกินข้าวคือโต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวไม่ใช่โต๊ะเล่นลายโต๊ะทํางานก็ไม่ใช่โต๊ะเล่นลายฮัลโหลอย่างนั้นบนรถเล่นลายได้ใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ได้นะ <c oughs> เห็นว่าเด็กบอกเราว่าไม่ได้วันนั้นเด็กมาหาตมาบอกอาจารย์พระอาจารย์ช่วยหน่อยนะครับเดี๋ยวคุณแม่จะไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์ช่วยสอนคุณแม่หน่อยสอนเรื่องอะไรคุณแม่ชอบ เล่นลายขณะขับรถครับพระจานเมื่อเมื่ออันนี้เหตุการณ์เมื่อสามปีที่แล้วตอนนั้นเขายังไม่ประกาศสองปีที่แล้วเขายังไม่ประกาศห้ามเดี๋ยวนี้ห้ามแล้วใช่ไหมห้ามแล้วแล้วมีกล้องที่เขาสามารถที่จะถ่ายทะลุฟิล์มเข้าไปถ้าขณะที่นั่งอยู่ในรถแล้วหยิบกล้องขึ้อหยิบจิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรเขาก็ถ่ายทะลุปับ๊บ ส่งภาพถึงบ้านเลยจับไหมปรับไมมปรับเท่าไหร่ทราบไหมรู้สึกจะเท่าไหร่ส0 0อยถึงพันหนึ่งนะแล้วแต่แล้วก็แม้แต่ติดไฟแดงติดไฟแดงแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมานั่งเล่นลายถ่ายรูปปั๊บส่งไปจับปรับไหมปรับจะสี่ร้อยถึงพันทีนี้ฟังให้ดี กล้องตำรวจตอนนี้ถ่ายทะลุฟิล์มเข้าไปเห็นชัดเจนนั่งรูปมันฟ้องอยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้ส่งถึงบ้านปรับสี่ร้อยถึงพันแต่ช่วงนี้ชี้แนะถ้าถ่ายพึบเข้าไปคนที่นั่งข้างๆไม่ใช่ภรรยาฮาลัลโหลอันนี้โทษประหารเข้าใจใช่ไหมโทษประหารนะ สรารภาพก็ไม่ลดกึ่งด้วยนะช่วงนี้ฝากนิดนึงเวลาเขาขึ้นมานั่งหันไปมองหน่อยว่าใช่หรือเปล่าถ้าผิดคนก็ปักจะตังค์ยี่สิบบาทให้เขาบอกว่าเออพอดีผมไม่อยากจะมีปัญหากับครอบครัวนะครับเผื่อไปขึ้นรถเลยครับคือคือภรรยาผมเขาไม่ได้รักผมอย่างเดียวเขาหลงผมได้หลงหัวปักหัวปําเลยครับคุยกับผู้หญิงนี้ไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้ามานั่งใกล้ๆนี้มีปัญหาแน่เลยครับก็คุยกับเขาให้รู้เรื่อง ฮัลโหลยังอยู่นะก็คุยกันดีๆจะอยู่กันอยู่กันให้มีความสุขแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆ ค, ค, คุยกันเอ้ากลับมาทีนี้ที่ตกลงญี่ปุ่นมีที่เยอะแยะเขาเอาเงินจากใครเด็กไทยโง่โง่ที่ไปติดเกมของเขานี่พยายามเบิร์นใส่แผ่นชิปเข้าไปในหัวแล้วนะเนี่ย <laughs> นะ <laughs> สำคัญที่สุดอย่าให้ชิปมันหายไปไหนนะนะรักษาตัวนี้ให้ดีจ้ะอ่ะกลับมาสู่กระบวนการทีนี้ที่ขยันกว่าญี่ปุ่นเอาญี่ปุ่นสองคนไปทำงานได้เท่ากับเวียดนามหนึ่งทำไมเวียดนามจึงขยันมากเขารบกันในประเทศจนกระทั่งไม่มีแผ่นดินจะอยู่เวียดนามเหนือเวียดนามใต้ทะเละจนตอนหลังต้อง ต้องหนีไปที่อื่นนะเป็นเลฟฟิจีไปอยู่ที่เยอมันบ้างฝรั่งเศสบ้างอังกฤษบ้า ง, ง, ก, างกระจายไปทั่วหมดเลยจา่าแล้วก็อเมริกาด้วยเพระเวียดนามไม่มีแผ่นดินจะอยู่เวียดนามก็เลยต้องพัฒนาตนเองพัฒนาตนเอ ง, เองแล้วก็พัฒนาตนเองเมื่อเมื่อก่อนนี้จีนเขาสามารถไปตั้งใช้หน้าทาวได้อเมริกที่อเมริกาแล้วก็สามารถที่จะขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ ตอนนี้เวียดนามเทาเขาไปตีไชน่าเทาแล้วเขาไปพัฒนาตนเองที่นั่นแม้แต่เมืองไทยเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้จักอาหารเวียดนามตอนนี้เริ่มทราบไหมมีหลายอย่างแล้วอาหารเวียดนามเช่นอะไรบ้างก็เฝอนั่นอะเฝอสารพัดเรื่องเลยจากเวียดนามเขาพัฒนาตนเองทีนี้ฟังให้ดีนะช็อตนี้เป็นช็อตที่สาคัญ เมื่อประมาณเกือบสิบปีที่แล้วคือถ้าเมื่อสมัยประมาณสักสามสี่สิปีก่อนเวียดนามต้องมาดูงานในเมืองไทยเกาหลีต้องมาดูงานในไทยแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วนี่ไทยต้องไปดูงานในต่างประเทศแล้วท่านตอนนั้นโฆษกรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีมังพากันไปดูงานที่เวียดนามอะพอลงไปสถานที่ท่องเที่ยวสะอาดสะอาด สะอาดสว่างสงบสง่างามพรบพอคณะรัฐมนตรีเดินเขาไปสถานที่ท่องเที่ยวเด็กเวียดนามโอ้โหเดินมาถึงปับ๊บหอบหนังสือเป็นตั้งเลยจ้ะเดินหอบหนังสือเป็นตั้งมาเข้ามาถึงปั๊บจะมาขายคนไทยพอเห็นปั๊บโ บ, บกมือโนไอดองวัน no, ชูบาฮิตไม่ซือ้อ เขาบอกไม่ซื้อเด็กไม่ว่าอะไรเดินมาข้างหน้าแล้วก็มาโค้งให้อย่างดีแล้วก็พูดบอกว่า excuse me sir I'm a child tell me please why you don't want to buy my books if I know I will improve myself เด็กอายุแค่9้าขวบสิบขวบบอกขอโทษนะหนูเป็นเด็ก ไม่ซื้อเนี่ยไม่ว่าแต่ช่วยบอกหนูหน่อยว่าไม่ซื้อเพราะอะไรเมื่อหนูรู้หนูจะได้ไปปรับปรุงตนเองพัฒนาตนเองกลุ่มอาจารย์รัฐมนตรีกลุ่มนี้กำลังจะเดินเจอระบบดิสเบกเข้าเดินไม่ออกจะตอบเด็กยังไงพอหันไปตอบปั๊บเด็กถามกลับมาอีกแกอ้าปากค้างเลยเฮ้ยเด็กตัวนิดเดียวทำไมมันฉลาดถามอย่างนี้แล้วเขาชอบคนฉลาดฉลาดเขาก็เลยคุยกับเด็ก คุยกันไปแล้วก็คุยกันมาคุยกันมาแล้วก็คุยกันไปไปไปมามามามาไปไปปุจชาตกลงต้องซื้อหนังสือเด็กไหมปุจชาที่ซื้อหนังสือเด็กเนี่ยซื้อเพราะสงสารเด็กใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชปุจชาตกลงที่ซื้อหนังสือเด็กซื้อเพราะอะไร ความฉลาดความสามารถเด็กตัวนิดเดียวสามารถที่จะหาเงินได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นเขาหาเงินได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นหาเงินช่วยคุณพ่อคุณแม่สร้างบ้านด้วยแล้วหาเงินส่งตัวเองเรียนได้ด้วยแค่เก้าขวบสิบขวบไหนของใครของใครแปดขวบใครเก้าขวบใครสิบขวบ ใครสิบอ็ดขวบมีไหมสิบขวบแสดงว่าช่วยหาเงินให้คุณพ่อคุณแม่มาได้ประมาณปีแล้วใช่ไหมตกลงว่าพวกเรา อ, อันนั้นเขาหาเงินส่งตัวเองเรียนแล้วหาเงินช่วยคุณพ่อคุณแม่สร้างบ้านนะแค่แปดเก้าขวบเนี่ยแปดถึงสิบขวบเนี่ยของพวกเราเนี่ยตอนนี้ลูกเราหาเงินช่วยสร้างบ้านหรือกาลังช่วยถอนเสาบ้านฮัลโหล ตรงนี้น่าสนใจนะเด็กมหาวิทยาลัยของไทยบางคนยังช่วยถอนเสาบ้านอยู่เลย อ, อายุยี่สิบแล้วมันยังไม่คิดหาเงินเลยคิดแต่จะใช้เงินคิดแต่จะใช้เงินเรียนจนปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาตรีก็ยังงี่เงา่าปริญญาโทก็โง่ซื่อบือ้อคือคิดหาเงินไม่เป็นคิดแต่จะใช้เงินเนี่ยตรงนี้สำคัญมากอะกลับมา เมื่อกี้พระอาจารย์เล่าตอนแรกบอกไปสิงคโปร์พวกสิงคโปร์บอกเอาคนไทยกี่คนนะสิบคนแรกคนเขาคนเดียวเขาไม่เอาพระอาจารย์ฟังแล้วเฮ้ยทำไมดูถูกคนไทยขนาดนี้ทำอย่างไรเราจะพัฒนาคนไทยได้เช้าวันหนึ่งพระอาจารย์เห็นเด็กสิงคโปร์สองคนเข้ามาคุยกันในวัดมาสูบบุหรี่ด้วยเพราะพระอาจารย์เห็นแน่เขาบอกว่าเด็กไทยไม่มีคุณภาพเด็กสิงคโปร์ก็ไม่มีคุณภาพ อายุสิบสามสสี่มาสู่บุรีในวัดพระอาจารย์ก็เลยเดินเข้าไปหาเขาพูดภาษามาเลกันพระอาจารย์ฟังไม่ออกพระอาจารย์พอรู้ภาษาอังกฤษนิดนิดก็เลยส่งภาษาอังกฤษไปพอส่งปั๊บเด็กสิงคโปร์หันพึบมาทางพระอาจารย์ส่งภาษาอังกฤษเป็นชุดพระอาจารย์งงเฮ้ยเด็กเกเลทําไมเขาพูดเหมือนฝรั่งพูดเลยอะพูดแบบเจ้าของภาษาเพื่อนพระอาจารย์เดินตามมา เพื่อนพระอาจารย์เก่งภาษาอังกฤษเหมือนกันจะเก่งอยู่สามคำ yes no okay นะท่านจะถนัดมากขนาดตอนไปข้ามด่านไปสิงคโปร์เขาถามว่ามียาเสพติดไหมท่านบอกว่า yes โอ้โหค้นกันเปิดบาดเปิดกดลือจนกระทั่งจะแก้ผ้าพรานะหน่ะหอดจีวรลือหมดเลยเราก็เลยบอกว่าหลังถ้าพูดไม่เป็นก็ยิ้มยิ้ ม, มเฉยๆก็แล้วกันอย่าไปตอบอะไรเหนื่อยเลยอะ เราจะผ่านด่านไปได้แต่ว่าเพื่อนพระอาจารย์จะเก่งภาษาจีนกลางมากพอมาถึงปับ๊บเพื่อนพระอาจารย์ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกท่านก็เลยส่งภาษาจีนกลางใส่เด็กสิงคโปร์พอส่งใส่ปั๊บเด็กสิงคโปร์หันพลึบมาส่งภาษาจีนกลางเป็นชุดพระอาจารย์งงเฮ้ยเมื่อกี้เขาพูดอังกฤษแบบเจ้าของภาษาตอนนี้เขาพูดจีนกลางแบบเจ้าของภาษาอีกแล้ว ด้วยความรู้สึกไม่ยอมแพ้พระอาจารย์เอามือจับมือเพื่อนหยุดอยากพูดจีนกลางส่งภาษาฮกเกี้ยนใส่มันเพื่อนพระอาจารย์ส่งภาษาฮกเกี้ยนพรึกเด็กสิงคโปร์หันพึกมาส่งภาษาฮกเกี้ยนเป็นชุดฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนน่ะภาษาจีนฮกเกี้ยนจีนมันจะมีจีนแต่จิ๋วจีนไหหล่าจีนฮกเกี้ยนจีนห่อจีนสารพัดจีนเลยอะ เสร็จปับ๊บพระอาจารย์งงเฮ้ยตกลงเด็กเกเลของเขาพูดได้กี่ภาษาแล้วกี่ภาษาใบขนาดนี้แล้วสี่ภาษามีอะไรบ้างหนึ่งมาเลสองอังกฤษสมจีนกลางสี่ฮกเกี้ยนนี่เด็กเกเลของเขานะปุตชาพวกเราเกเรไหม ไม่เกเรแล้วภาษาที่เราสามารถพูดได้อย่างเจ้าของภาษาคล่องแคล่วอ่านได้อย่างเจ้าของภาษาคล่องแคล่วเขียนคล่องแคล่วได้อย่างของเจ้าของภาษาเราได้ทั้งหมดกี่ภาษาชัดเจนมากเลยจ้ะนี่ขนาดไม่เกเรได้อยู่ภาษาเดียวแล้วถ้าเกิดเกเรขึ้นมาแหละอะไรจะเกิดขึ้น ภาษาไทยก็พูดกันไม่รู้เรื่องบอกว่าเลิกเล่นเกมได้แล้วมันก็เดี๋ยวบอกว่ากินข้าวเดี๋ยวบอกว่าไปนอนเดี๋ยวเออได้ภาษาเดียวมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องอะ่ะโชคดีว่าพวกเด็กที่พูดไม่รู้เรื่องไม่มีอยู่ในกลุ่มนี้เลยสาธุเนี่เพราะฉะนั้นชีวิตคือการพัฒนาพนมมือว่าตามก้าวไปข้างหน้าดีฝ่ายยืนเตะท่าอยู่กับที่ อ่าเพราะฉะนั้นจะต้องก้าวจะต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาจะมันจะมีเดี๋ยวพระอาจารย์มีภาพพิเศษถ้าเขาไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวกันกิกก๊กเกาะกิ๊กกจ้ะโอเคแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวคุยภาษาไทยไม่รู้เรื่องมีปัญหานะโอเคสุดยอดมากเลยจ่ะเอาสาธุดังๆให้ตัวเองด้วยจ่ะสาธุจ่าสวัสดีครับผมน่ารักมากเลยจ่ะน่ารักกันทุกคนเลยหนังสือข้างนอกเดี๋ยวถ้าเด็กๆสนใจอมตะวลีนะอนุญาตจะหยิบไปได้เลยคนละเล่มก็ได้อมตะวลีไม่เป็นไรอือหือ เฮ้ย hey. do you understand โอเคจ้ะคนละชั้นกันใช่ไหมครับคนละชั้นนะครับแล้วตัวเ ล, ล็กล่ะตัวเล็กฟังพระอาจารย์ออกไหมฟังออกไหมอุ้ยชักไม่แน่ใจเว้ย <laughs> จ้ ะ, ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ภาพไม่ขึ้นแล้วไม่เป็นไรจ้ะ ดีละตอนนี้สําหรับผู้ใหญ่ก็ได้คุยกันสําหรับเรื่องของผู้ใหญ่ใครเคยเจอตา ม, มาแล้วไหน ย, ยกมือสูงสู ง, ส ง, สงทีใครยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยจ้ะจริงๆพระประสงค์ดังนะัม <c oughs> ีคนบอกว่าอาจารย์ดังมากเลยไม่เชื่ออาจารย์เข้าไปในอินเทอร์เนต็ตติเราก็เลยเข้าไปแล้วก็พิมพ์คําว่าพระอาจารย์พระประสงค์พอพิมพ์พระประสงค์ขึ้นมาเป็นร้อยเว็บเลยเฮ้ย <c oughs> ดังได้ยังไงว้ มีเป็นร้อยเว็บก็เลยกดเข้าไปอ่านพรากฏเข้าไปอ่านพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าพระประสงค์โอ <c oughs> oh, ไม่เกี่ยวเลยจะไม่เกี่ยวกับเราเลยจ้าจ้าแต่ว่าสิ่งที่อจตมาทำก็จะมีตอนนี้ที่ทําคนพอจะรู้จักก็คือกับตละปัดอดเป็นนิทานกัปตระปัดวันนี้ก็เอามาข้างนอกมีนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้จากเขาที่แล้วก็แจกพัดกันไปอันนี้คือเป็น <c oughs> น, <c oughs> นี่นี่ตระปัด ที่ทำออกมาตะละปัดก็จะเขียนว่าที่ระลึกงานอุปสมบทแล้วก็ด้านหลังเขาจะว่างไม่มีอะไรจะอัตมาก็เลยกลับตะละปัดเอาด้านหลังที่มันขาวๆเนี่ยมาวาดภาพเข้าไปประกาศโปรดทราบตะละปัดคือขยะที่อยู่ในวัดแต่ละปีจะมีเป็นแสนแสนตะละปัด เฉพาะในพรรษาพระบวชกันประมาณร่วมแสนองก็จะมีประมาณแสนตลปัดแล้วเสร็จปับ๊บพอท่านลาสิกขาปับ๊บไหนใครเคยบวชแล้วยกมือสูงสูงพิบตลปัดอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่วัดแล้วเขาเขียนว่ามันที่ะระลึกงานอุปสมบทอะทำไมไม่เอากลับไปเป็นที่ะระลึกละ่ะทิ้งไว้ที่วัดเลยใช่มะ วันนั้นก็ถามบอกทําทไมไม่เอากลับไปเป็นที่ละลึกก็บอกไม่ได้ครับผมมีครอบครัวบอกแล้วมันเกี่ยวอะไรมันเป็นการากินีครับอาจารย์เฮ้ยเอามาจากไหนอาจารย์ก็อ่านสิอุปสมบทมันแปลว่าอดผสมบุตรอ่ะไม่มีในพระไตรปิฎกนะตรงนี้ไม่ต้องจําไปจะไม่ต้องจําจ้ะก็เขาก็เลยไม่กล้าที่จะเอากลับไปแล้วก็ทิ้งไว้ที่วัด เพราะฉะนั้นมันจะมีเป็นแสนแสนแต่ที่มากมายขึ้นมาก็คือที่ระลึก80ปีคุณแม่กิมเฮงก็80ตลบปัดคุณพระก็เอามาสวดให้พรคุณแม่กิมเฮงเพอสวดเสร็จเรียบร้อยปั๊บตลปัดเอาไปไหน80ตลบปัดเข้าโกดังจะ้ะแล้วเวลาคุณพระไปงานขึ้นบ้านใหม่หรืองานใหญ่ๆโตๆ ต, ต่างๆเนี่ยจะถือตลปัดคุณแม่กิมเฮงไปไหมไม่มีจะ้ะ รับรองคุณแม่กิมเฮงจะนอนอยู่ในโกดังอยู่อย่างนั้นเองไม่มีโอกาสได้ออกมาเลยยกเว้นว่าคุณแม่กกิมเฮงยังไม่ตายแล้วปีหน้ามาใหม่เนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะไปค้นออกมาเพื่อที่จะมาให้คุณแม่กิมเฮงชื่นใจนิดหนึ่งพอต่อมาก็เอางานของเจ็กโกแปดสิบปีที่ระลึกเจ็กโกแปดสิบปีก็แปดสิบตลาปัดเพราะฉะนั้นของโยมตรงนี้เวลางานที่ระลึกวันเกิดตัวเองไม่จาเป็นจะ เขาใช้ครั้งเดียวมันไม่คุ้มอ่ะอาตมาตอนนี้ทำไว้หกร้อยกว่าตลับปัดไปขอจากวัดต่างๆออกมาพอดีกลับไปที่โพธรามบ้านเกิดอยู่ที่โพธรามบวชที่โพธรามแล้วก็ไปช่วยครูบาอาจารย์ไปถึงก็ไปบีบนวดถวายท่านพอว่างปั๊บก็เลยไปรื้อกดังพอลื้อเสร็จขนตลปัดออกมาเป็นร้อยๆอ่ะลาขึ้นปวกกินแมวฉี่ใส่เหม็นหึงทั่วหมดเลยจากโกดัง ถามครูบาอาจารย์ว่าจะให้ทำอย่างไรท่านดูเสร็จท่านบอกว่าเอาไปเผาทิ้งแอบไปหลังวัดนะอย่าให้ใครเห็นเดี๋ยวเขาเสียใจโดยเฉพาะคุณแม่กิมเฮงนะก็เลยต้องแอบเอาไปเผาหลังวัดเหลืออยู่ยี่สตบสสิบตลับปัดนอกนั้นเผาเกี่ยงเรยโจอหกควันขงมงเลยถามท่านบอกอาจารย์แล้วที่เหลือนี่ยังใหม่ๆทำไงท่านบอกว่าเก็บเอาไปใส่โกดังเหมือนเดิมเราก็เลยเฮ้ย แล้วเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเอาออกมาเผาอีกในที่สุดพอดีไปสวนโมกไปเจอท่านอาจารย์พุทธทาสใช้ตลับปัดเก่ากว่าที่เาตมาเผาไปอีกการทำงานคือการประพฤติ ธ, ธรรมท่านเขียนใส่ไว้แล้วก็คำว่าตัดถาัตาบ้างอะไรเราก็เลยเฮ้ยตกลงมันใช้ประโยชน์ได้เนี่ยพอเอตามาพอวาดภาพได้บ้างก็เลยเอามาถึงปับ๊บแล้วก็มาวาดภาพใส่เข้าไปเนี่ยอย่างตลับปัดอันนี้ อันนี้เป็นตรรกะจริงๆมีกับวีเนี่ยเขียนไว้เป็นมีกับวีก็คือออกแบบขึ้นมาว่าเขียนมีแล้วก็เงาของมีก็คือเป็นวจ้ะแล้วก็เขียนคํากรอนบอกว่าในสังคมยุคใดที่มีเป็นใหญ่โลกจะเกิดวุ่นวายโกลาหลวคือเงาของเราทุกๆคนวรปวงชนอยู่แบบวมีสุขเอ่ยชอบกรอนบทนี้มากสาธุยคนคิดด้วยอ่ะ คือคิดเองแล้วชอบเองเข้าใจจะ้ะคือค อ, อยากให้คนอยู่กันแบบวีอ่ะไม่ใช่อยู่แบบมีเดี๋ยวนี้มันเจเนอเรชันมีไงคือเอาตัวเองเป็นใหญ่แล้วไม่สนใจใครทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นถ้าจะอยู่กันมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจ้ะในใครอยากอยู่อย่างมีความสุขยกมือสูงๆโอเคจ้ะช่วงนี้ชี้แนะกลับไปนธธรรมบ้านให้เป็นวัดเลยแต่อยาตั้งตัวเองเป็นเจ้ า, าวาดเข้าใจใช่ Uh huh. ทำบ้านให้เป็นวัดอย่าตั้งตัวเองเป็นเจ้าว่าอยู่แบบอยู่แบบมีก็คือสามีภรรยาพอแต่งปั๊บเป็นบุคคลคนเดียวกันละเพราะฉะนั้นก็ค่อยค่อยพูดค่อยคคุ ย, คยกันเดี๋ยวนี้ผู้หญิงไม่ค่อยยอมผู้ชายใช่หรือเปล่าฮ mm. <Hello? S 2> oh ัลโหลเด็ก oh, บอกว่าใช่อ่ะเอาสิเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยยอมกันจริงๆประกาศโปรดทราบช่วงนี้ชี้แนะยอมผู้หญิงนะ ปล่อยให้ผู้ชายก็เป็นช้างเท้าหน้าดีแล้วปล่อยให้ผู้ชายก็เป็นช้างเท้าหน้าไปเถอะแล้วพวกเราเป็นกวานช้างมันถูกต้องอยู่แล้ว <l ots> ใช่ไหมฮัลโหลเออมันถูกต้องอยู่แล้วแหละอย่าไปเปลี่ยนหน้าที่เลยอย่าไปแข่งขันกับเขาบอกคุณเป็นช้างเท้าหน้าเลยไม่เป็นไรยกให้แล้วมีอะไรก็เราก็คอยบังคับไว้ให้ดีกันแล้วกันคุมค่อยๆพูดค่อยๆ ค, ค, คุยกันแล้วมีปัญหาก็คือปุจฉา เวลาเกิดป no. <tr> ัญหาเนี่ยวิธ <hip S 2> <tr> ีแ <t> ก้ปัญหาระว่างเหตุผลกับอารมณ์เราควรใช้อะไรแก้ปัญหาเหตุผลแต่ถ้าเหตุผลนั้นจะทำให้ทะเลาะกันควรใช้อะไรแก้ปัญหาอารมณ์อย่ายุ่งนะอารมณ์ทิ้งไปเลยเหตุผลกับอารมณ์เราใช้เหตุผลแต่ถ้าเหตุผลจะทำให้ทะเลาะกันทิ้งเหตุผลไปเลยแล้วเอาความรักความสงบเย็นเป็นใหญ่ เอาความรักความสงบเย็นเป็นใหญ่อาตมาประทับใจผู้ชายคนหนึ่งพระยาด่าดๆๆดๆๆดดเสร็จเรียบร้อยเป็นไงมีอะไรจะแก้ตัวไม่มีครับผมรักคุณครับเอาไปใช้ได้นะโยมเอาไปใช้เป็นไงโอเคไหมเออแค่นี้ปั๊บมันมันไม่รู้จะด่าอะไรอีกแล้วอะคือคือเป็นความรู้สึก ทีนี้ถ้ามันไปด่ามันไม่ยอมกันมันก็ไม่จบไงมันไม่จบมีสามีภรรยาคู่หนึ่งตั้งใจว่าไม่ทะเลาะกันเด็ดขาดวันหนึ่งสามีก็เหนื่อยภรรยาก็เหนื่อยต่างคนต่างเหนื่อยนี่หลุดไหมคนจะหลุดนี่ฉกส่วนมากช่วงไหนบ้างหิวจัดหลุดได้ไหมเหนื่อยจัดง่วงจัด พอง่วงเนี่ยอายุมันจะเหลือแค่สองสาขวบนะงอแงแล้วคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วพอง่วงง่วงนิ่งอย่ามายุ่งแล้วนะไอ้นี่ตั้งใจไม่ทะเลาะวันนั้นเหนื่อยทั้งคู่พอเหนื่อยเต็มที่สามีเหนื่อยจัดขึ้นมาเห็นภรรยา ก, ก็เลยบอกช่วยส่งน้ำมาหน่อยปัญญากำลังเหนื่อยน็อตหลุดเลยหันไปถึงมือไม่ว่างหรือไงสามีหันพึบสติมาปัญญาเกิดจ่ามือของพี่ไม่ว่าง ก็มือของพี่กำลังประคองหัวใจของเราทั้งสองอยู่ฮ<ะ>ัลโหลโอเคไหมเนี่ยฮะโอเคหรือว่าเอ า, เอาไปใช้ได้น ะ, ะแต่ถ้าหลุดทั้งคู่อะไรจะเกิดขึ้นมือไม่ว่างหรือไงใช่แต่เท้าว่างหมดเลยนะเพราะฉะนั้น มีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆ ค, ค, คุยกันนะบุจฉาหัวเราะเมื่อกี้รู้สึกตัวหรือเคยชินใครหัวเราะด้วยกันเคยชินยกมือส่งๆสิสาธุุดังๆให้ตัวเองด้วยการที่ยมรู้ว่าหัวเราะเมื่อกี้เคยชินแสดงว่าเรารู้สึกตัวละตรงนี้เรียกว่ารู้ทันหรือรู้ตามรู้ตามจากหัวเราะไม่ได้ห้ามไม่ให้หัวเราะแต่ว่าเฮ้ยเออไว้อันเนี้ย พระพุทธเจ้าตรัสว่านันทิราคะคือการเพลินในเวทนาแต่ถ้าเป็นสุขเวทนาไม่เป็นไรแต่พอเป็นทุกขเวทนาเนี่ยตรงเนี้บางคนหลงเข้าไปในทุกขเวทนาแล้วออกไม่เป็นวันก่อนคุณโยมร้องไห้โทรมาระบายกตมาแม่เสียชีวิตเราก็เลยไปร่วมงานศพเขาด้วยแล้วก็มาร้องหนักตอนที่ไปว่าจะไปทาบุญให้แม่ก็อัศจรรย์น่ะ แกว่าจะไปซื้อโลงศพทาบุญให้แม่พอไปถึงที่โลงปั๊บได้ยินเขาเปิดเพลงเป็นเพลงที่แม่ชอบมากแล้วแกจะร้องกับแม่แกก็เลยร้องใหญ่บอกแม่มาด้วยหรือจบเพลงนั้นแกก็มันอาจจะฟุกมั้งพอกำลังเดินลงไปเพลงที่สองเป็นเพลงเดียวที่เกร้องกับแม่คือคือปกติจะรู้กันอยู่แค่นี้ยแกกับแม่ จึงจะร้องเพลงด้วยกันเพลงที่หนึ่งเพลงที่สองพอไปถึงปับ๊บไม่ทราบว่าแม่เข้าไปสิงสถิตรหรือไปดลใจให้คนเปิดเพลงมาเปิดสองเพลงนี้แกก็เลยร้องไม่หยุดเลยจ้ะแล้วก็มาลาบายอาตมาก็บอกว่าร้องไปเถิดถ้าร้องเพื่อล้างเบ้าตาเมื่อหลับแล้วตื่นขึ้นมาลูกตาจะได้สวยใส่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้การร้องถ้าจะร้องเนี่ย ถ้ามันอัดอั้นตันใจไว้มากๆก็คือปล่อยมันออกไปบ้างก็ได้แต่ว่าให้รู้สึกตัวอยู่ว่าตอนนี้โอเคแล้วมันไหลเข้าไปไหนตามอารมณ์ตรงนั้นทีนี้ถ้าจะร้องอยากให้ร้องอหลักวิธีการถ้าจะร้องไห้เนี่ยมันควรจะให้มีสติขึ้นมาสักนิดหนึ่งคือว่าโอเคแล้วร้องไห้ว่าเสียใจว่า ขณะที่แม่มีชีวิตอยู่เราไม่ได้ปฏิบัติท่านเต็มที่มันน้อยไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นตั้งใจและตอนนี้ใครที่มีบุญคุณกับเราเราจะพยายามที่จะทําหน้าที่แบบนั้นคนญี่ปุ่นก็ถือว่าใครที่ไปร้องไ ห, ห้หน้าหลุมฝังศพพ่อแม่ก็ถือว่าลูกหลานเหล่านั้นเป็นผู้ที่เนรคุณแสดงว่าตอนพ่อแม่มีชีวิตเขาไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลยพอพ่อแม่ตายเขาจึงต้องมาเสีย อ, อกเสียใจแบบนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปร้องไห้ฮัโหใครพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ยกมือส่งส่งสิหึืใครคุณพ่อคุณแม่มาด้วยวันนี้ยกมือส่งส่งสิไหนใครคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยย้ oh, มีด้วยโอเคแล้ว <laughs> อย่าชี้ผิดคนนะ <laughs> <laughs> <laughs> จ้ะอาอา่ะกลับมาสู่กระบวนการนิดนึงจ้เออ ในหลักเรื่องการปฏิบัติเมืเ่อกี้ตาัมมาพูดถึงเรื่องตลับปัดทีนี้ตลับปัดนี่อะยกมาให้วิธีการถ้าอยากจะอยู่กันให้มีความสุขเนี่ยอันนี้เด็กอายุเก้า10ขวบสิบขวบเขาไปถึงปั๊บเห็นตัมมาทํำโครงการกับตละปัดกําลังวาดกันแกวนไปวนมาพระอาจารย์ขอวาดบ้างเราก็ดูนาอยากวาดอะ่ะอยากวาด ก็เลยนึกเอาแล้วไม่เป็นไรจ้ะเสียของดีฝ่าเสียคนเพราะฉะนั้นเสียของแต่ได้คนก็โอเคคือเวลาวาดภาพเนี่ยภาพเทียตธรมาต้องการตอนนี้ก็ยังรับคนที่จะวาดภาพแต่ต่อมาขอบอกว่าขอประเภทขอประเภทที่วาดวาดวาดเป็นนะวาดได้ไม่เอาฮัลโหล วาดเป็นคือวาดม้าเป็นม้าวาดหมาเป็นหมาอย่างเงี้ยถ้าเขาวาดม้าเป็นหมาเนี่ยแตามาอธิบายไม่ได้ว่าฉะนั้นขอที่วาดเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เขียนว่าร้อนกายใช้พัดวีร้อนฤดีใช้ปัญญาร้อนกายเนี่ยเอาพัดมาวีมาพัดแต่ว่าถ้าร้อนฤดีใช้ปัญญาเอาปัญญาเข้ามาแก้ไขแล้วสวยไหมสวยจั อันนี้เขียนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ A well t r a i n m y brings happiness A well t r a i n m y brings happiness จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้แล้วสวยไหมสวยจ้ะพอเด็กคนนี้เข้ามาขอวาดปับ๊บคือตลปัดเนี่ยอาตมาจะเอามาเอาสีสีอะคริลิกผสมกะกาวแล้วก็ทาแล้วตากแดดแห้งแล้วก็ทาแล้วก็ตากแดดแห้ง แล้วก็เอาสีแกสโซกระป๋องนิดเดียวหกร้อบาทมาทาทับเพื่อต้องการให้มันอยู่เป็นร้อยปีอันนี้เป็นคู่มือครูสอนธรรมะจะเอามาทำให้มันอยู่ได้เป็นร้อยปีทาไว้เสร็จเรียบร้อยเด็กมาขอวาดไม่รู้จะทำยังไงก็เลยให้เขาวาดไปเราก็เลยบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วากาันเดี๋ยวพระอาจารย์ขอหัวข้อเป็นแฟมเมอรี่ก็แล้วกันนะเป็นรูปครอบครัวแกก็ได้ค่ะแล้วแกก็เลยไปวาด อันนี้เป็นตัวแก่เก้าขวบกว่าแล้วก็พี่ชายแล้วก็คุณพ่อแล้วก็คุณแม่ทีนี้ถ้าใส่เสื้อผ้ามันยุ่งวุ่นวายแกเลยจับใส่กระโปรงเหมือนกันหมดแล้วทรงผมมันวาดยากแกเลยเอาทรงพระหันมาถึงปั๊บแกก็เลยเล่นทรงพระไปเลยจะทั้งหมดออกมาเป็นแบบเนี้แล้วก็คําว่าแฟมเมอรี่คำว่าแฟมเมอี่สะกดยังไง f a M I L Y จะ F <y> ย่อมาจาก Father A ย่อมาจาก And M ย่อมมาจาก Mother แล้วก็ I Love You Father and Mother I Love You เป็น Family <c oughs> โอ้โหสุดยอดมากทีนี้ คำว่าครอบครัวก็คือการอยู่กันตั้งแต่สองคนขึ้นไปตอนนี้เราก็มาอยู่ครอบครัวเดียวกันฮโัโหลเข้าใจใช่ไหพวกอมีบ้ามันก็มีครอบครัวของมันโปโตโซมันก็มีครอบครัวของมันแมวกับสิงโตเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเขาเรียกอะไรสเปเชียลนั่นแหะมันก็อยู่ในกลุ่มของมันตรงนั้นนี่มาดูถึงคนการอยู่กันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็คือเป็นครอบครัว ถ้าจะใช้ชีวิตครอบครัวมีอะไรบ้างกอดกันกอดวันนั้นตะมาขึ้นเออหลายปีแล้วเขาเขียนป้ายประเดิมเลยวันนี้คุณกอดคนที่คุณรักหรือยังเคยได้ยินไหมใครใครเคยเห็นมั้งยกมือสิวันนี้คุณกอดคนที่พอเราเห็นเราก็เออแล้วเราจะไปกอดใครล่ะถ้าจะมากอดพระด้วยกันมีปัญหาไหม กอดเนนเนะมีอีกกอดโยมไปกันใหญ่นะเราก็เลยนึกว่าเฮ้ยกอดคนที่คุณรักแล้วคุณรักใครอะพอมันแวบขึ้นมาเอ้าเรารักในหลวงแล้วเราไปกอดในหลวงได้ไหมเดี๋ยวเข้าวังไปขอกอดก็เลยนึกว่าเฮ้ยการกอดมันน่าจะมีกอดทางกายกับกอดทางใจนะเลยมาแยกคำว่ากอดกอไก่กอไก่น่าจะมาจากคำว่ากาลังใจเพราะฉะนั้น เราเป็นกำลังใจให้แก่กันได้ไหมเป็นกำลังใจแด่พระองค์ท่านได้ไหมก็ได้อ้ออ่างนี่น่าจะมาจากเอื้ออาทรหรืออบอุ่นก็ได้ใช่มแล้วก็ดอเด็กก็คือดีเพราะฉะนั้นเราทำดีเราเอื้ออาทรแล้วก็เราคอยเป็นกำลังใจรวมกันเป็นกอดได้ไหมหกคิดได้ไงก็ไม่รู้สาธุยคนคิดด้วย แล้วเราก็มีความสุขโอเคแล้วตอนนี้เราเกอดมันทั่วโลกเลยอยากจะกอดใครก็กอดไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปถูกเนื้อต้องตัวก็ได้แล้วก็มามีตัวนี้ก็คือเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องมีความสุขแล้วก็มีจุ๊บๆด้วยเนี่ยเเด็กก็เขียนมีจุ๊บๆคือครอบครัวก็เป็นครอบครัวอบอุ่นจ้ะก็หอมแก้มคุณพ่อคุณแม่ความรักใครอยากอยู่อย่างมีความสุขยกมือสูงๆอีกครั้งหนึ่ง การกอดกันการไหว้กันการยิ้มให้กันเนี่ยดีไหมไหในใครไหว้คนที่บ้านก่อนออกจากบ้านทุกวันเลยใครไหว้สามีใครไหว้ภรรยานหนยกมือฮลัลโหลไหนใครไหว้สามีก่อนออกจากบ้านยกมือพลึบหามาเองด้วยจับฉลากมาปุจฉาสามีเขาเป็นคนดีไหม ดีแล้วทำไมไม่ไหว้เขาเฮ้ยถามจริงๆเฮ้ยเอาไม่ใช่พระก็เลยไม่ต้องไหว้ใชเวลาเราไปที่ทํางานเวลาคนเดินเข้ามาที่ทํางานเราเราไหว้เขาไหมไหว้ใช่ไหมคนดีเราก็ไหว้คนไม่ดีเราก็ไหว้เพราะเขาเข้ามาติดต่อประสานงานเราไหว้หมดเลยแล้วคนที่บ้านดีหรือเปล่าดีแล้วทําไมไม่ไหายมัน กลับไปเที่ยวนี้จะไหว้เหมือนไหมกูก็ไม่ว่ายอยู่ดีไหว้กันได้ไหมคือการไหว้กันเนี่ยมันเป็นการจากกันที่ดีอุจชา้าทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเนี่ยเราสามารถทราบได้ไหมว่าเมื่อออกไปแล้วเราจะเราจะมีโอกาสกลับมาบ้านอีกได้หรือเปล่าทราบไหมไม่ทราบนะเวลานอน เราสามารถทราบได้ไหมว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนไม่ทราบเพราะฉะนั้นไม่ทราบออกจากบ้านปั๊บอุบัติเหตุมีเยอะไหมเยอะตอนนันมาอยู่อเมริกาตอนนั้นพอดีเว r ลด t r ทรดโดนเครื่องบินขับมาชนโยมโทมาอาจารย์เปิดทีวีเล้วเราก็รีบเปิดเครื่องบินกำลังเลยจะซัดตูมเข้าไปแล้วบอกหนังเรื่องอะไรอะ่ะเขาบอกเรื่องจริงอาจารย์เรื่องจริงาารเฮ้ย มันจะจริงแบบนี้เลยเหรอปรากฏว่าคนซึ่งหลายคนตอนหลังที่มาสารภาพก็บอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็หลายคนจึงต้องเสียคนรักไปสิงคโปร์มาบวชอยู่กับตมาเขาถามบอกว่าอาจารย์ทราบไหมผมมาบวชทำไมบอกว่าไม่ทราบภรรยาตึกถลม่มแล้วอยู่ชั้นล่างพอถล่มมันสุดพลึบลงไปเลยจะจมหายไปเลยแกก็เลยมาบวช มาอยู่ปฏิบัติธรรมกัตมาบวชเพื่อจะน้อมบุญกุศลให้กับภรรยาเมื่อก่อนสิงคโปร์บ้านชั้นหนึ่งชั้นสองข้างล่างเนี่ยมันจะมีห้าชั้นสิบชั้นข้างบนข้างล่างจะราคาแพงที่สุดเพราะไปถึงปั๊บเข้าไปได้เลยสบายข้างบนจะราคาถูกแต่หลังจากตึกถล่มพุบลงมาปับ๊บข้างล่างราคาถูกฮเหตุการณ์มันเปลี่ยนได้อ่ะมันเปลี่ยนได้แล้วแกก็ตั้งใจมาปฏิบัติตลอดพรรษาเป็นคนที่ น่ารักมากจ้ะเราออกจากบ้านเราไม่สามารถจะทราบได้ว่าเราจะมีโอกาสกลับบ้านอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกครั้งของการจากกันจากกันด้วยดีได้ไหมจ้ะก็ก่อนจะออกจากบ้านก็พนมมือแล้วก็วัดดีจ้าขอให้มีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจแข็งแรงนะเดี๋ยวไปทำงานแล้วนะจุ๊บ เขาชื่อจุ๊บๆไงก็เรียกชื่อเขาหน่อยได้ฮัลโหลได้มเออพูดกันดีๆอ่ะแล้วมันจะเป็นความรู้สึกดีๆที่มันประทับอยู่ในใจไงก็จะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นปั๊บโอเคแล้วเราจากกันด้วยดีมันยิ้มตายได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกลับมาสู่ขบวนการนิดนึงจ้ะสำหรับตรงนี้เขาบอกถ้าอยากอยู่อย่างมีความสุขก็คือเสียงหัวเราะ สมัยเด็กๆเราจะหัวเราะประมาณวันละสองร้อยถึงห้าร้อยครั้งแต่พอโตขึ้นปั๊บเสียงหัวเราะมันหายไปอ่ะอย่าว่าแต่หัวเราะกระทั่งรอยยิ้มเนี่ยต่อมยิ้มก็ชารุดบางคนยิ้มไม่เป็นน่ะยิ้มไม่เป็นเสียงหัวเราะหายไปเลยทุกครั้งของการหัวเราะเนี่ยยิ้มน่าจะเป็นสีชมพูยิ้มแล้วหัวเราะด้วยน่าเป็นสีแดงอยู่จ้ะ แต่ถ้ยิ้มแล้วหัวเราะทั้งวันนั้นสีทัญญานะเอาพอประมาณเอาพอประมาณตรงเนี้ยก็คืออยู่กันให้มีความสุขแล้วก็ความทรงจําที่ดีตรงนี้เป็นไงบ้างภาพเด็กวาดน่ารักดีไหมก็ตมาตอนแรกคิดว่าเสียตลปัดไปตลปัดหนึ่งเฮ้ยได้อยู่ยังใจได้อ่ะมาดูภาพนี้ท่านบอกถ้าอยากอยู่กันอย่างมีความสุขห้าคำที่จะนําความสุขมาสู่ชีวิต ห้าคำก็คือคำที่หนึ่งตรงนี้สำคัญนะคราวที่แล้วก็เคยพูดที่นี่แล้วท่านบอกว่าถ้าอยากอยู่อย่างมีความสุขห้าคำนำสุขใครไม่มีกระดาษเอาแบงค์พันมาจดเลยเอาแบงค์พันออกมาจดได้จากห้าคำนำสุขหนึ่งก็คือยอวทอยอยอ่อมาจากยิ้มวยอย่อมาจากไหวทอยอ่อมาจากทักทายยอวทอยอย่อมาจากยิมไหว ทัสมัย Asmai น s ์อินเอ็กเพ v e ีวิธทูอินพรูฟอเวอ o ์ลุการยิ้มเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองโดยไม่ต้องลงทุนเลยว่าตามยิ้มน้อยๆในดวงใจและใบหน้ายิ้มน้อยๆในดวงตาหน้าสดใสยิ้มเถิดยิ้มน้อยๆในดวงใจ พูดทำคิดสิ่งใดใจยิ้มเอ่ยสาธุชอบกรอนบทนี้มากเลยสาธุให้คนแต่งด้วยคือแต่งไว้เตือนใจตัวเองไม่ได้มีอะไรหรอกว่าเฮ้ยไม่มีใครอยากจะเห็นใบหน้าอันบูดบึ้งของคุณหรอกปดเก็บมันใส่กระเป๋าไวเ้เถอะนะเพราะฉะนั้น ตื่นเช้าขึ้นมาก่อนจะออกจากบ้านก็ใบหน้าอันบุตรบึ้งเก็บใส่กระเป๋าไว้ออกไปเจอใครก็ยิ้มพอประมาณนะพอประมาณแล้วถ้าเป็นไปได้คืนนี้ยิ้มหลับคืนนี้ยิ้มหลับพรุ่งนี้ตื่นปุ๊บยิ้มปับ๊บแต่ถ้าไม่ตื่นศพ ส, สวยนะศพ ส, สวยเพราะว่าเราฝึกของเราไปเรื่อยเลยแล้วไม่ต้องไปกลัวเรื่องความตายจะไม่ต้องไปกลัวเพราะทุกคนเกิดมาต้องตายไหมปุจฉา ที่เดินไปเดินมาข้างนอกห้องต้องตายไหมที่นั่งฟังอยู่ข้างล่างพวกนั้นเ็าต้องตายไหมตายจ้ะที่กำลังดินทาคนอยู่ตรงนั้นต้องตายไหมแล้วพวกเราที่มานั่งในห้องนี้ต้องตายไหมก็เมียตมารอดองคเดียวใช่ไหมไม่รอดจ้ะทุกคนต้องตายหมดแต่ว่าตายแบบไหนอ่ะตายแบบนักเรงธรรม ะ, จะเจริญสติมีสติแล้วยิ้มตายเนี่ยตรงนี้สุดยอดเลย ตอนอยู่อเมริกาเขานิมนต์ให้ไปที่โรงพยาบาลโยมคนหนึ่งเป็นมาเลงมาเลงมันกินข้างในหมดแล้วแล้วก็เอาออกซิเจนคอบเลี้ยงชีวิตไว้แค่นั้นเองเขาก็เลยตกลงกับหมอแล้วก็ตัดสินใจถอดท่อออกอายุห้าสิบประมาณได้อยู่จ่ะไปถึงอาตมาก็ถามจำกันได้ไหมกกยังนอนพยักหน้าสติก็ดีมาก ไปภาวนาที่วัดอยู่เป็นประจำแล้วก็ถามพร้อมแล้วใช่ไหมแกก็พยายามหน้าตกลงก็สามียืนอยู่ข้างๆลูกอีกยืนอยู่ข้างๆคุณหมอด้วยแล้วก็จะมาไปแล้วก็กถอดทอแกยิ้มไปจริงๆบอกเฮ้ยทำไงเราจะทําแบบนี้ได้บ้างไหมถ้าเราทําไม่ได้นี่เสียชื่อหมดเลยนะเนี่ยนะเก็บไปแบบนักเลงทำมาแกไม่ได้กลัวการตายก็คือการจะบกเปลี่ยนที่อยู่ก็ได้หรือว่า หมดกันก็คือจบกันแล้วแค่เนี้ยปิดฉากที่จริงการตายมันก็เป็นเป็นรางวัลอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติมอบมาให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวจ้ะอ่ะกลับมาห้าคำนำสุขหนึ่งยอวทอยิ้มไหว้ทักทายสองก็คือขอบคุณสามก็คือเอยอวทอยิ้มไหว้ทักทายข้อที่หนึ่งข้อที่สองขอบคุณข้อที่สามขอโทษข้อที่สี่ไม่เป็นไร ข้อที่หดีครับดีค่ะหําคำที่จะนำความสุขมาสู่ชีวิต1ก็คือยิ้มไหว้ทักทายสองขอบคุณสขอโทษ4ไม่เป็นไรหดีครับดีค่ะหําคำนำสุขใครจำได้ลุกขึ้นตอบอย่างอาถารแล้วออกมารับรางวัลึลโอ้โหโอ้โหตัวเล็กมันลุ้นไว้ให้เฮ้เฮ้เฮ้ ห, <laughs> หนึ่งคือ ยิ้มไหวทักทายถ้าได้ยินพวกเราจะลืมได้เห็นจะจําได้ทําจะเข้าใจเพราะฉะนั้นพนมมือสวยๆหันไปมองหน้าเพื่อนยิ้มหวานๆแล้วบอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะหันทั่วๆเลยจ้ะจ้ะอันนั้นคําที่หนึ่งจ้ะคำที่สองขอบคุณพนมมือสวยๆหันไปมองหน้าเพื่อนขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณเรื่องอะไรอ่ะ ก็มันนั่งข้า ง, างๆมันไม่เลอใส่มันไม่ตดใส่ก็โอเคแล้วแหละเออบางคนเนี่ยปวดปวดผายลมเนี่ยกขาอุตส่าห์เดินไปหน้าห้องนะไปถึงผายลมแล้วเขาค่อยๆเดินกลับมาใหม่แต่เขาไม่บอกหรอกก็จะกลับเข้าห้องยังมอือสาวมือตกอีกนะข้างล่างกลัวว่าติ่นจะติดเข้ามา น, ะน่ารักหรอกอ่าขอบคุณคำที่สามก็คือขอโทษจากพนมมือสวยๆหันไปมองหน้าเพื่อน อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งขอว่าตามที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวไปคั่นตามกันต่อว่าตามเพื่อนจา๋ากรรมมันใดที่เราเคยล่วงเกินต่อเพื่อนทั้งเจตนาและไม่เจตนาทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่รู้และไม่รู้ทั้งปัจจุบันชาติและอดีตชาติ เราขอโทษหันทั่วๆเราขอโทษโอ้โหนิพพาขอโทษยันอดีตชาติเลยนะมีไหมบางคนพอเราเจอหน้าปั๊บไม่ชอบขี้หน้ามันเฉยๆเลยอะเพียงแค่เห็นหน้าแค่นั้นเองไม่ชอบแล้วอะ่ะบางทีมันมีติดค้างมาจากอดีตเมื่อมีขอโทษแล้วก็ต้องมีอะไรให้อภัยพนมมือสวยๆหันมองหน้าเพื่อนยิ้มหวานๆเพื่อนจา๋ามองหน้าเราหน่อย จริงใจหน่อยสิเพื่อนจ๋ากรรมบรรดที่เพื่อนได้ร่วงเกินต่อเราทั้งเจตนาและไม่เจตนาทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่รู้และไม่รู้ทั้งปัจจุบันชาติและอดีตชาติ เราอโาหาสิกรรมแต่เงินที่ยืมต้องคืนด้วยโ อ, โอเคนะคนละเรื่องกันนะเงินที่ยืมเนี่ยต้องคืนแต่ว่าอโหาสิแล้วอันนี้อโหาสิแต่เงินที่ยืมต้องคืนเข้าใจใช่ไหมใครเป็นหนี้ใครรีบคืนเขาซะถ้าไม่คืนแล้วเกิดเป็นอะไรตายเนี่ยแล้วฝ่าจะมาเกิดอีกร้อยปีเนี่ยดอกเบี้ยทบต้นนะเกิดมาปั๊บไม่ต้องทําอะไรใช้หนี้อย่างเดียวเลยจะใช้หนี้อย่างเดียวเลยเนี่ย มาจินเป็นเป็นพวกถ้วยขามนุษย์อะโดนขายมาแล้วก็ไปทํางานใช้หนี้อยู่ในโรงงานนระกม m b สารพัดเรื่องอันนั้นเศษกรรมที่มันตามมาจา้ะก็รู้จักที่จะอาตมาพาขอขมาญาณอดิตชาติแล้วก็ให้อโหสิกรรมกันแล้วมาข้อสุดท้ายก็คือดีครับดีค่ะรู้จักที่จะเห็นด้วยกับคนอื่นบ้างคนบางคนไม่ใช่ไม่เห็นด้วยวันไหนถ้าไม่ได้แกะ้งใครท้องมันจะอืดอืดขึ้นมา วันไหนไม่ได้หาเรื่องใครมันนอนไม่หลับประเภทนี้เรื่องพูดดีๆมันไม่ชํานาญแต่พูดให้คนร้าวรานเนี่ยมันถนัดมากเลยจ้ะโชคดีว่าพวกนิสัยเหล่านั้นก็ไม่มีอยู่ในกลุ่มนี้อีกสาธุด้วยอ่ะที่มีเขาก็จะเปลี่ยนนิสัยสาธุให้เขาด้วย อ, อ่ะนี่นนี้ช่วยกันเต็มที่เลยนะเผื่อมันมีปัญหาอะไรตกลงห้าคำที่จะนำความสุขมาสู่ชีวิตคาที่หนึ่งคือ ยิ้มไหว้ทักทายจากคำที่สองขอบคุณภาษาอังกฤษว่าไงภาษาจีนว่าไงเสียเสียโอ้โหมันมีท่าประกอบได้สุดยอดเลย <laughs> มีท่าประกอบนี้ธรรมถะถวแงว่าจากคำที่สามภาษาจีนว่าไงตุยมจูตุยพูชีภาษาอังกฤษว่าไง sorry โอเคคำที่สี่ไม่เป็นไรภาษาจีนว่าไงไม่ควรชื่อ บ, บอยเจานี้บอเสียงกลางโอเคได้ใช่ไหมแต่จิวจ๋าภาษาอังกฤษว่าไงเนบอมปกติฝรั่งเขาไม่ใช้นะครนบนเนบอมายเนีน่นนนนนนน No problem, that not big deal, t h a t ดดน็อตอับิ้กเ o ิ t โด r วอลลี t t ย่าเบลแดดน l ออะไรก็ได้ที่มันจะทำให้ไม่มีปัญหากันขึ้นมาใช่ไแล้วก็คำสุดท้ายดีครับดีค่ะโดยจักที่จะเห็นด้วยกับคนอื่นห้าคำที่จะนำความสุขทีนี้มันมีเรื่องแทรกนิดหนึ่งจ้ะเรื่องการยอมรับผิดการขอโทษกันตรงนี้สุดยอดถ้าอยากจะอยู่อย่างมีความสุขเขาที่แล้วก็เล่าที่นี่ไปแล้ว ขออีกครั้งหนึ่งครอบครัวหนึ่งอยู่กันด้วยกันห้าชีวิตมีคุณพ่อคุณแม่ลูกชายลูกสะพ้ยแล้วก็ไอ้ด่างอยู่กันอย่างมีความสุขปุจฉาครอบครัวนี้มีกี่ชีวิตนะใครบอก <atra> <i> ก็บอกอยู่นี่แหละ <Anyone> ทำไมต้องทำหน้างงด้วยนะวันหนึ่งปรากฏว่าคุณแม่ป่วยลูกสะภ้ยก็ดูแลอย่างดี คอยจัดอาหารให้ตอนเช้าก็ทำโจ๊กอย่างดีเช้าวันหนึ่งลูกสะใภ้ทำโจ๊กไปคุณแม่ยังไม่ตื่นลูกสะใภ้จะปลุกก็เกงใจก็เลยเอาโจ๊กวางไว้ที่โต๊ะข้างเตียงกะว่าเดี๋ยวคุณแม่ตื่นคุณแม่ก็ได้ทานแล้วตัวเองก็ออกไปทำงานพักใหญ่เลยเพอกลับกข้ามาอีกทีหนึ่งเห็นคุณแม่นั่งอยู่มองไปโจ๊กเกลี้ยงชามลูกสะใภ้ก็ยิ้ม คุณแม่ขาวันนี้คุณแม่จเจริญอาหารจังเลยนะคะแม่ยังไม่ได้ทานอะไรเลยจ้ะลูกลูกส p a i ง ง, งมองไปที่ชามแม่ก็มองไปที่ชามต่างคนต่างมองเกลี้ยงชามแต่ว่าลูกส p a i เป็นคนช่างสังเกตเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่จะเกลี้ยงเท่ากับหมาเหลียเข้าใ <c oughs> ใช่ไม <c oughs> มองไปมองมาหันไป <c oughs> หเห็นไอ้ด่างกระดิกหางอยู่ลูกสะ a i s ยกมือไหว้ คุณแม่ขาลูกขอโทษค่ะเป็นความผิดของลูกเองเมื่อกี้ลูกปิดประตูไม่เรียบร้อยไอ้ด่างก็เลยเข้ามาลูกขอโทษค่ะแม่ยกมือไหว้แม่ขอโทษจ้าเป็นความผิดของแม่เองปกติแม่ต้องตื่นแล้วแต่เมื่อคืนทองเนื้อก้าวตอนจบมันดึกไปหน่อยหนึ่ง นะแม่ก็เลยตื่นสายแม่ขอโทษเป็นความผิดของแม่เองพอพูดปับ๊บคุณพ่อได้ยินคุณพ่อลุกเดินก็ามาพ่อขอโทษเป็นความผิดของพ่อเองเมื่อกี้พ่อเห็นไอ้ด่างเข้ามาแล้วแต่พ่ออ่านหนังสือพิมพ์เพลินเลยไม่ได้ลุกมาไล่มันพ่อขอโทษลูกชายเดินก็ามาได้ยินปั๊บยกมือไหว้ผมขอโทษครับเป็นความผิดของผมเอง ปกติตอนเช้าผมต้องทําหน้าที่พาไอ้ด่างไปมอร์นิ่งวอล์กไปออกกําลังกายแต่เมื่อเช้าไม่ได้ทําหน้าที่เป็นความผิดของผมเองผมขอโทษไอ้ด่างหันมองหน้าคนนู้นก็ขอโทษคนนี้ก็ขอโทษคนนั้นก็ขอโทษแต่ด่างพูดไม่ได้ถ้าด่างพูดได้ด่างจะพูดว่าไงด่างขอโทษเป็นความผิดของด่างเองด่างรู้ว่าไม่ใช่เพชรดีกรีที่ที่วางไว้ แต่มันหอมดังทาใจไม่ได้เป็นไงแฮปปี้เอนดิ้งไหมครอบครัวนี้เหมือนบ้านเราเลยไหมเวลามีปัญหามึงนั่นแหละมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละโชคดีว่าพวกนิสัยเหล่านั้นไม่มีอยู่ในกลุ่มนี้เลยสาทูเดลที่มีมันก็จะเปลี <S <s Gary, like ่ยนนิสัยแล้วสาทุมันด้วยไหนใครอยากอยู่อย่างมีความสุขยกมือสงสูงเอาวิธีการง่ายๆพนมมือสวยๆเลยจ้ะหันไปมองหน้าเพื่อน ยิ้มหวานๆแล้วว่าตามนะดังขอโทษเอาดังๆหนึ่งสองสาโอเคจะยอดเยี่ยมมาคือชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้ขาวบริสุทธิ์เข้าใจใช่ไหมบางครั้งมันก็มีกระดำกระด่างเกิดขึ้นมาบ้างท่านบอกว่าสี่ตีนยังรู้พลาดนักปาชยังรู้พลังสองขาโดเด ก, ก็ต้องเซล้มบ้างแม้กิ่งกื อ, อยังหงายท้องได้นับภาษาอะไรกับคน จะไม่ให้ผิดพลาดเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อผิดแล้วก็แก้ไขแค่นั้นเองผิดแล้วแก้ปาดท่านสารเสริญแต่อย่าเพลินผิดบ่อยเป็นร้อยหนผิดแล้วแก้ทันควนนั้นยอดคนปัญญาชนผิดแน่แน่แค่หนเดียววันอิสอินาฟครั้งเดียวก็พอแล้วไม่ต้องไปผิดบ่อยฮัลโหลยังอยู่ใช่ไหม <laughs> ก็เมื่อผิดแล้วก็รู้จักที่จะขอโทษกันอ่ะทีนี้มาดูพัด ที่แจกวันนี้พัดนี้ไม่ได้เอามาสําหรับพัดให้เย็นเย็นเฉยๆแต่ว่าอยากจะให้พัดแล้วมันเย็นก็ไปนในใจก็คือเอามาสอนเรื่องการภาวนาใครได้แล้วยกมือสูงสูงสิใครยังไม่ได้ยกมือสูงสูงสิใครสนใจมั่งเขาเขาถามว่าจะขายเท่าไหร่ธรรมาบอกไม่ขายหรอกแจกไม่เป็นไรแจกใครอยากจะทําบุญก็ทําใครไม่ทําบุญอรรมะก็ทํา ก, ทกับเขาแค่นั้นเอง วันก่อนเอาไปขายสวนโมกขายไปประมาณร้อยอันอาตมาแจกไปสองร้อยกว่า <laughs> <laughs> จ้ะแล้วก็มีคุณหมอที่โรงพยาบาลแห่งพออาตมาให้ไปแ <laughs> กชอบใจโอ้โหดีอาจารย์เดี๋ยวผมข อ, อทำบุญด้วยพันอันจ้ะแกให้มาหมื่นบาทเอออันหนึ่งเกือบยี่บบาทนะแกให้มาต้งหมื่นบาท <ś led> อาตมาไม่พูดสักคำเลยเราเราก็เลยโอ้สาธุจากคุณหมอเอาแล้วทาบุญร่วมกันก็ไม่ได้ว่าอะไรนิดแกขอมาอีกพันหนึ่งยังคิดอยู่ว่าจะให้แกดีไหม <ś led> <ś led> เพราว่าต้นทุนมันไม่ได้จ้ะก็ <ś led> แล้วก็ส่งไป <ś led> วันนั้นก็ส่งไปที่คนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอาตมาส่งไปร้อยกว่าอันกับสองร้อยอัน <ś led> เขาก็ถามบอกอาตมารู้จักพระที่นั่นหรอือบอกไม่รู้แล้วรู้จักโยมที่นั่นบอกไม่รู้และจานส่งไปทําไม อย่างน้อยๆก่อนตายให้เขาได้เจอธรรมะร้อนกายใช้พัดวีแต่ถ้าร้อนรือดีใช้ปัญญานะใช้ปัญญาแก้ไขจแล้วก็จิตที่ฝึกดีแล้วนาสุขมาให้จ่าคือสิ่งที่เราต้องการในชีวิตอ่ะก็คือความสุขทีนี้ทำอย่างไรจึงจะมีความสุขฮัลโหลอันนี้ถามทำไงจึงจะมีความสุขไหนใครอยากมีความสุขมั่งยกมือสงๆึล อยากมีความสุขแล้วไม่รู้ว่าทำอย่างไรจริงจะมีความสุขวันนั้นถามโยมบอกว่าทำไงจริงจะมีความสุขโยมทั้งข้างหลังห้องตะโกนเงินครับท่านถ้ามีเงินแล้วมีความสุขใครคิดว่าเงินให้ความสุขยกมือสองสงูงพลไม่มีใครยกเป็นเพื่อนกูเลยเว้ยกูยกคนเดียว <laughs> ใครคิดว่าเงินไม่สามารถให้ความสุขแก่เราได้เลยยกมือสองสอง ใครคิดว่าเงินให้ความสุขได้บ้างไม่ได้บ้างยกมือสูงๆใครยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะย <c oughs> จริงๆเงินไม่สามารถให้ความสุขแก่เราได้นะยืนยันถ้าพระยืนยันขนาดนี้คิดว่าเงินน่าจะให้อะไรความสะดวกสบายจะ้ะ all the material give only comfort and the peaceful mind give the happiness วัตถุเข้าของเงินทองให้เราได้แค่ความสะดวกทางกายเท่านั้น แต่จิตที่สงบมันจะให้ความสุขทีนี้ทำอย่างไรจิตจึงจะสงบ ก, ก็ต้องรุดอยกที่จะฝึกฝึกไม่ปล่อยใจลอยไปตามอารมณ์พัดอันนี้ก็เลยเขียนไว้ว่าอย่าปล่อยให้ใจลอยไปตามอารมณ์อย่าปล่อยให้ใจลอยไปตามอารมณ์ท่านบอกว่าใจเหมือนลูกโ ป, ปง่งส่วนอารมณ์เหมือนลมที่เราเป่าเขาเ้าไปในลูกโ ป, ปง่งถ้าเป่าเป่าเป่าเ ป, าเปา่ไม่หยุดเป็นไงแตกจัลูกโปรงแตก เพราะฉะนั้นวิธีการไม่ให้ลูกโป่งแตกก็ต้องรู้จักปล่อยให้เป็นจริงๆวันนี้เอาลูกโป่งมาด้วยนั้นเนี่ยแต่ว่าเวลามันจะหมดแล้วมีเขาบอกว่าสองกลุ่มกลุ่มนึงต้องกลับบ่ายสามโมงกลุ่มหนึ่งกลับบ่ายสามโมงครึ่งอาตมาก็กําลังนึกว่าจะเลิกตรงไหนดีหรือว่าต้องเลิกตอนบ่ายสามโมงสิบห้านาทีเอาตรงกลาง <laughs> คงจะบ่ายสามโมงนะแล้วก็เดี๋ยวใครมีปัญหาอะไรจะถามก็ถามกันจริงๆที่จริงก้าลูกโป่งมาให้ดู เ, เป่าไหมใครพอเป่าได้โอ้โหตัวเล็กเป่าอ่ะเอามาเลยมาลองเป่าดูอีกคนหนึ่งได้คนอ่ะมาคนละไปโอ้โหเป่าเป่าได้แน่นะเป่าได้นะเอเอเอันนี้อันนี้เธอเธอเ อ, เอาสีสีสเหลืองนี้ ยอดเยี่ยมไว้โอ้โหไว้แรงดีเว้ฮะ <c oughs> เอายอมผู้ชายช่วยหน่อยมาอีกนิดหนึ่งลูกๆอีกนิดหนึ่งใจได้อีกๆให้เป็นลูกหัวใจยมผู้ชายช่วยหน่อ ย, ออออ ช, ย, ย, ช, ยช่ว ย, ย, วยได้เลยจับเป่าเอาเลยจะมัดเลยจับมัดเลย <c oughs> <c oughs> ยัดเยียมยัดเยียมอ่ะขอบใจมากเลยจ้ะจนละจนละอีกอีกสองลมหายใจอโอเคจ้ะใช้ได้จ้ะมามาเอายางมัดอ่ะช่วยกันหน่อยเอายางมัดนี่นี่ยางอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ตมาบอกว่าใจเปรียบเสมือนลูกโป่งส่วนอารมณ์เหมือนลมที่เราเป่าเข้าไปแต่ถ้าเป่าไม่หยุดเนี่ยมันแตก วิธีการไม่ให้มันแตกก็คือต้องรู้จักที่จะปล่อยลมออกทางกายเราปล่อยมือปั๊บลมมันก็ออกแต่ทางใจเนี่ยกูปล่อยกูไม่ปล่อยกูปล่อยก็กูไม่ปล่อยอย่ามีไหมมีใช่ไหมขอบใจมากเลยจ้ะสาธุให้คุณโยมเด้จ้ะวันนั้นไปบรรยายมีโยมบอกว่าพอดีไปบ้านคุณหญิงคุณหญิงพอเห็นอาตมาแกอายุแปดสิบแล้วอาจาร ฟังทรมานานแล้วอายุ80แล้วมันไม่เข้าไปในใจอะ่ะช่วยพูดให้มันเข้าไปในใจหน่อยได้ไหมโอโ้โหโจ์มาหนักเลยใช่ไหมอาตอมาบอกโอเคจ้ะเดี๋ยวทำให้มันเข้าไปในใจก็ได้โอเคก็เลยก็เลยห ย, ยิบลูกโป่งตรงเนี้ยพอดีมันมีคนถวายมาพอดีพอามาถึงปั๊บเราก็เลยบอกว่าใจเปียบเสมือนช่วยกันหน่อยใจเปียบเสมือน ส่วนอารมณ์เหมือนลมที่เป่าเข้าไปแต่ว่าอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมแต่อารมณ์บางอารมณ์มันเปรียบสเสมือนเข็มจะ้ะใครตกใจมั้งเมื่อกี้นหะนยกมือสูงๆดิปึ๊บสูงๆจะ้ะเป็นไงเข้าไปในใจไหมเมื่อกี้เข้าหรือไม่เข้าวันนั้นคุณหญิงเข้าเลยนะ แกบอกว่าให้พูดเข้าไปในใจเราก็เฮ้ยเอาไงให้มันเข้าไปในใจไว้เจอลูกโป่งได้เลยบอกขอได้ไหมหยิบมาถึงประประสัตปุ้งแกตกใจโชคดีว่าแกไม่ปล่อยบางอย่างออกมาเขาบอกว่าคนท้านับถือศาสนาไหนเนี่ยเราคอยฟังตอนเขาตกใจถ้าเขาร้องอัลลอฮ์แสดงว่าอิสลามแน่นอนถ้าร้องไม่กอดคริสแน่นอน เขาบอกพอมาเจอคนไทยนี่งงเว้ยตกลงมันนับถือศาสนาไหนแน่วนะเพราะฉะนั้นศาสนาอะไรที่อยู่ในใจเขาตอนตกใจเนี่ยมันจะออกมาไปบอกเพื่อนช่วยเปลี่ยนศาสนาด้วยนะ <c oughs> บอกมึงเปลี่ยนศาสนากูอายกูมากับมึงเข้าใจใช่ไหมก็ลองดูก็แล้วกันเอาไหม่จ่าใจเหมือนส่วนอารมณ์เหมือน ลมที่เป่าก็าไปแต่อารมณ์บางอารมณ์เปรียบเสมือนเข็มเมื่อเข็มเจอกับลูกโป่งก็ดูใหด้ดีไม่แตกได้ไหมเออก็ไม่แตกก็ได้อะ่ะแตกก็ได้ใครตกใจอีกแล้วยกมือสูงๆพึบเข้าไปอีกแล้วไหมเข้าแล้วใช่ไหมถามนิดนึงว่า ความรู้สึกตกใจที่เกิดเมื่อกี้เนี่ยเราเชิญมันมาหรือมันมาเองเราไม่ได้เชิญนะมันมาเองมันมาเองพบปุ้งปั๊บก็คืออยายตนะภายในทั้งหอากิอายตนะภายในคือหูแล้วเสียงปุ้งก็คือเสียงมากระทบกับหูแล้วมีโสตวิญญาณวิญญาณทางหูเข้ามารับรู้ทาสามประการรวมกันเรียกว่าผัดสะพบปุ้มปั๊บตกใจเราไม่ได้เชิญเลยจะมันมาเองปุจฉา ความรู้สึกตกใจตอนนี้มันยังอยู่หรือมันไปแล้วปุจฉาความรู้สึกตกใจที่มันไปเราไล่มันไปหรือมันไปเองมันไปเอ ง, ม, เองมันบอกลาเราก่อนไปไหมประกาศปโปรดทราบเจ้าความรู้สึกตกใจไม่มีมารยาทไปก็ไม่ลามาก็ไม่ไวายนึกจะไปก็ไปนึกจะมาก็ควรครบกับมันไหมไม่ควรจะ แต่มันถือว่านี่คือบ้านของมันเพราะว่าเราคุมตัวเองไม่เป็นเราปิดประตูบ้านไม่เป็นในที่สุดมันก็เลยมาครองบ้านหลังนี้เป็นของมันมันจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้ความรู้สึกเนี่ยบางอย่างมันมาแล้วมันไปแต่บางอย่างมาแล้วไม่ไปเมื่อกี้พอจิ้มแล้วไม่แตกเนี่ยแปลกใจมีไหมมีแปลกใจความรู้สึกแปลกใจเราเชิญมันมาหรือมันมาเอง มันมาเองเราไม่ได้เชิญแล้วความรู้สึกตกใจมันไปแล้วแต่ความรู้สึกแปลกใจมันยังอยู่หรือมันไปแล้วยังอยู่ให้บางคนบอกไปอยู่ให้มันหมายความมันความรู้สึกแปลกใจมันยังอยู่ที่มันยังอยู่เนี่ยเราดึงมันไว้หรือมันอยู่ของมันเองมันอยู่ของมันเองจ้ะแล้วทำไมมันจึงไม่ไปมันคอยอะไร มันคอยคําตอบถ้ากูไม่ได้คําตอบกูไม่ไปกูไม่ไปแล้วกูก็ไม่ตอบเข้าใจใช่ไหมฮัลโหลปุจฉาจําเป็นไหมว่าเราต้องรู้ทุกเรื่องจึงจะไม่ทุกข์ไม่รู้แล้วไม่ทุกข์ได้ไหมได้จ้อะอาตมาไม่ทราบว่าตอนนี้ดาราคนไหนแต่งงานกับคนไหนดาราคนไหนเตียงหักไปแล้วดาราคนไหนมีมือที่สามเข้ามาไม่รู้ทั้งสิ้นเลยจ้ะแล้วเขาเออบัวขาววันก่อนชนะหรือแพ้ ก, ก็ไม่ได้ทุกข์อีกแหละไม่ได้ดูกับเขาว่าไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรเลยจะอากลับมาสู่ขบวนการใจเหมือนส่วนอารมณ์เหมือนลมที่เป่าก็าไปแต่อารมณ์บางอารมณ์เปรียบเสมือนเข็มพร้อมหรื อ, อยังพร้อมแล้วใช่ไหมเออเมื่อกี้นี้สีเหลืองก็แตกไปแล้วใช่ไห สีแดงก็แตกไปแล้วอันนี้สีเขียวเก็บไว้รักษาบ้านเมืองก่อนไหม <c oughs> <laughs> พระไม่ยุ่งการเมืองนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพร้อมหรื อ, อยัง <Okay. S 1> จะจิ้มแล้วนะแตกแน่นอนดังด้วยเข้าใจใช่ั้ยเข้าใจนะฮัลโหลเข้าใจนะจิ้มแตกดังด้วยพร้อมหรื อ, อยังถ้าพร้อมแล้วนับหนึ่งถึงสามว่าแตกดังโผล่นะพร้อมนะ นับแล้วว่าดังๆแตกดัง<ห>ตกใจไห ม, ไมทําไมจึงไม่ตกใจเพราะอะไร<ห> <laughs> ข้างหลังไม่ได้ปิดหูด้วย<ห>ทําไมจึงไม่ตกใจเพราะอะไร<ห>รู้ไม่ใช่รู้อย่างเดียวเรารู้ไหมว่าสักวันเราต้องแก่รู้ไหมว่าสักวันต้องเจ็บสุกวันต้องตายรู้ไหมคนที่เรารักสักวันเขาก็ต้องตายทราบใช่ไหม เรารู้หมดเลยแต่เวลาเขามีปัญหาขึ้นมาเราทำใจไม่ได้ที่ทำใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรารู้แต่เราไม่ได้เตรียมใจไงแต่เมื่อกี้อามานับให้เตรียมใจเห็นไนหะรู้อย่างเดียวไม่พอต้องรู้จักที่จะเตรียมใจด้วยสติอย่างเดียวก็ยังไม่พอต้องมีปัญญาด้วยปัญญาที่จะเอาเข้ามาดับทุกตัวนี้สติสัพพัฒปัญญาสติเป็นสิ่งจาเป็นในทุทกสถานในการทุกเมื่อ ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าสติเปรียบเสมือนรถบรรทุกที่มันแล่นมาส่วนแล้วแต่ว่ามันบรรทุกอะไรมาบนรถถ้าเขาด่ามาบางทีบรรทุกคำด่ากลับมาก็ด่ากลับไปเป็นชุดเลยแล้วก็ไม่ซ้ำด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าบรรทุกเมตตาบรรทุกสติปัญญามามันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตัวนี้สีเหลืองก็ต้องแตกสีแดงก็ต้องแตกสีเขียวมันก็ต้องแตก เหลือสีม่วงเนี่ยอาตมาว่าเก็บไว้ดูแลบ้านเมืองได้นะจ้ะก็คงจะฝากไว้แค่นี้ใครจะถามอะไรไหมเออเอาตัวนี้สำคัญเดี๋ยวอาตมาบอกว่าตัวนี้สอนภาวนาก็คือตัวพัดอีกอีกอีกนิดหนึ่งได้ใช่ไหมพอมีเวลานะบอกลูกคอยแป๊บหนึ่งนะพัดเวลาหยิบขึ้นมาเนี่ย ถ้าเราร้อนเราเราหยิบขึ้นมาด้วยความเคยชินให้วางก่อนแล้วก็ตั้งสติทำใจยิ้มยิ้มเสร็จเรียบร้อยก็หยิบด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็กลับมาเสร็จปับ๊บลาออกจากฐานของความคิดมาอยู่ที่ฐานของกายจากฐานจิตมาอยู่ที่ฐานกายเห็นอาการกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็อยู่กับกายเฉยๆอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายอย่าอยู่กับความคิดนะทิ้งความคิดไปเลยมาอยู่กับฐานกาย และถ้าใครถามบอกว่านั่งทำอะไรบอกเขาเลยว่านั่งสิ้นคิดนั่งสิ้นคิดเพราะคิดจนกระทั่งเป็นทุกข์อ่ะปัจจุบันคนที่เป็นทุกข์ทุกวันนี้ทุกข์เพราะอะไรทราบไหมเพราะคิดอย่างแต่ว่าเป็นการคิดที่ผิดสัมมาทิฏฐิส ม, มารถนังสัพพะทุกขงังอุปัจักทุงคนจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะมีสัมมาทิฏฐิก็คือคิดเห็นที่ถูกต้องถูกตรงแต่พอเขาคิดไม่เป็นเขาก็เลยเป็นทุกข์ สามีกลับบ้านดึกมันไปมีใหม่หรือเปล่าหรือมันไปประสบอุบัติเหตุหรือมันเป็นอะไรเรียกแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาหาสามีตัวเองอะเข้าใจใช่ไหม <laughs> เพราะฉะนั้นลาออกจากฐานของความคิดเมื่อปีที่แล้วรู้สึกมีอุบาสิกาเข้ามาช่วยสอนธรรมะมั่งเขาบอกยามโนอะฮะโหลเขาเขาบอกยามโน ก็คือไ อ, ไอคิดเลื่อยเปื่อยคิดจนกระทั่งตัวเองเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นออกจากฐานของความคิดมาอยู่ที่ฐานกายออกจากฐานจิตมาอยู่ที่ฐานกายนั่งอยู่กับฐานกายเฉยๆสักพักเดียวแล้วเดี๋ยวใจมันจะมีพลังขึ้นมาแล้วพอมีพลังขึ้นมาปั๊บค่อยสั่งให้มันคิดเพราะฉะนั้นว่าตามพนมือถ้าจะคิดจงสั่งให้มันคิดอย่าปล่อยให้มันลากเราไปคิด ถ้าจะคิดจงสั่งให้มันคิดอย่าปล่อยให้มันลากเราไปคิดว่ากันเองพร้อมกันหนึ่งสองสาถ้าจะคิดจงสั่งให้มันคิดอย่าปล่อยให้มันลากเราไปคิดตรงเนี้สําคัญจะ้ะสักพักหนึ่งนั่งอยู่กับฐานกายสักพักพอมันใจมันเริ่มมีพลังพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตมันนิ่มใจมันนิ่มนวลควรแก่การงาน พอนิ่มนวลควรแก่การงานแล้วก็ค่อยป้อนให้มันว่าจะให้มันทําอะไรทีนี้วิธีการพรับ ว, วิธีการพับนะเอามือทําอย่างนี้หัวแม่มือชี้เข้าตัวเองแล้วก็หัวแม่มือชี้เพื่อนวางมือซิอันแบบนี้หัวแม่มือชี้เข้าตัวเองแล้วก็ชี้เข้าไปหาเพื่อนแล้วก็ที่ชี้ตัวเองปิดออกไปข้างนอกแล้วบอกว่าเข้าใจเขาว่าทีาแล้วที่ชี้เขาเอาใจเขามาใส่ใจ อีกครั an, ้งหนึ่งจากพี่ชี้ตัวเองติดกับไปเข้าใจเขาพี่ชี้เขาเอาใจเขามาใส่ใจเขาดูไว้ดีนะตั้มาเห็นไหมพี่ชี้เป็นลำโยอันนี้ชี้เข้าตัวเองอันไปเข้าใจเขาแล้วก็พี่ชี้เข้าเข้าใจเขามาใส่ใจเขาพอปิดปั๊บมันจึงตัวเองเข้าไปไม่ต้องทับจัก มันจะดึงเข้าไปแล้วก็จะพับอยู่ตรงกลางเป็นมัชิมาปฏิ ป, ฏาปฏาทาพอดีนะแล้วเราก็รัดเขาเลยเมื่อตอนกลางวันมีคุณโยมเอาอาหารไปถวายอาตมาไหนกี่ท่านยกมือซี่อยู่ในห้องนี้น่ารักมากเลยจ้ะแจกพัดไปจะประมาณตัก5ห้าหกอันจะหักไปสองอันได้มั้งพอไปถึงปั๊บแกเล่นอย่างนี้เลยจ้ะเราก็เลยพอเห็นปุบเฮ้ยเดี๋ยวดียอย่าเพิ่งพับแล้วก็ แต่ว่าพอดีนั่นฉันน่ะก็เลยไม่ได้สอนอีกครั้งหนึ่งจะเข้าใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราดูนะเข้าใจเขาเข้าใจเขามาใส่ใจเราไม่ต้องพับเลยมันตึงตัวมันเข้าไปเองส่วนบางคนบ่าทำไมมันไม่เข้ามันก็ไปยึดมันไว้อย่างนี้มันก็ไม่เข้านะเพราะฉะนั้นเวลาจับปับ๊บดูว่าหัวแม่มือต้องอยู่ข้างบนข้างหนึ่งแล้วอยู่ข้างล่างข้างหนึ่งจยากอยู่ข้างล่างมีคุณพระ พอดีอยู่ต่างประเทศพอมาเห็นปั๊บชอบใจมากกว่าอาจารย์เดี๋ยวขอทําบุญด้วยพันพันอันจ้ะนั่นก็เอาไปพันอันแต่แต่ให้เยอะฝ่าคุณหมอนะก็ไม่ได้ว่าอะไรตาก็ตั้งใจว่าต้องการให้ธรรมะมันไปเดินบนท้องถนนบ้างตรงนี้ก็เขียนว่าอย่าปล่อยใจให้ลอยไปตามอารมณ์ใจเหมือนลูกโป่งนะเห็นแล้วจะได้นึกถึงคําสอนอันนี้คนไม่เก่งแต่เสียสละดีกว่าอัจฉริยะที่เสียสละไม่เป็นตอนนี้ ด็อกเตอร์เต็มประเทศของเราอัจฉริยะเยอะแยะมากแต่เขาเห็นแก่ตัวเป็นประเภทเซลล์เซ็นเตอร์เป็นเซลฟิสอะไม่ได้ขายปลาน ะ, ะ, ะ, ะเห็นแก่ตัวมากๆเลยตรงเนี้ยจ้ะแล้วก็จิตที่ฝึกดีแล้วแล้วก็มีเกวีอันนี้สร้างหุ่นไว้ไล่กาสร้างสติปัญญาไว้ไล่ทุกจ้ะและ้วก็ตัวนี้ร้อนกายอีกตัวหนึ่งก็อันนี้หมดไปละ อันนี้เขตปลอดความคิดเตียงนอนไม่ใช่เตียงคิดตอนเราซื้อเตียงเราไม่เคยบอกขอซื้อเตียงคิดเตียงหนึ่งไม่มีนะเพราะฉะนั้นอยากกระบฏกับตัวเองเตียงนอนก็คือเตียงนอนจ้ะเขียนป้ายติดหัวนอนว่าเขตปลอดความคิดแล้วถ้าเขียนแล้วมันยังคิดนะเปลี่ยนป้ายใหม่เป็นเขตสิ้นคิดใครที่นอนมีความสุขเราขอเป็นหนึ่งในนั้นด้วยพอขึ้นเตียงนอนปับสวิตช์ออฟเลยจ้ะสับคัทเอาชึบพอละแล้วก็ยิ้มหลับไปเลย กันบ้านคืนนี้ให้พวกเรายิ้มหลับพรุ่งนี้ตื่นปุ๊บให้ยิ้มปับ๊บแต่ถ้าไม่ตื่นเป็นไงนะศพ ส, สวยจ้ะอีกตัวหนึ่งพอดอีนิดเดียวจ้ะเดี๋ยวจะจบละอีกตัวหนึ่งก็คื อ, อะจะเขียนไว้บอกว่าห้ามคนไม่ให้ด่าเหมือนห้ามหมาไม่ให้เห่าห้ามคนไม่ให้นินทาเหมือนห้ามหมาไม่ให้เกา เพราะฉะนั้นคนไม่ถูกนินทามไม่มีในโลกเป็นสีเขียวอยู่ข้างนอกเดี๋ยวใครสนใจก็ไปหยิบกันเองก็เล้ากันนะก็ใครมีอะไรจะถามกันไม่เอ่ยฮลัลโหลมันหมดเวลาแล้วอ่ะมันหมดเวลาแล้วใครจะถามอะไรไหมสงสัยเรื่องอะไรไหมถ้าไม่สงสัยหลักปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งใครอยากอยู่ยังมีความสุขยกมือสองูงสูงผืบใครเคยทะเลาะกันในบ้านแล้วบ้างยกมือสองูงสูง ส่วนมากผู้หญิงเป็นคนหาเรื่องหรือผู้ชายเป็นคนหาเรื่องเนี่ยมันเดี๋ยวมันกลับไปมันมีเรื่องอีกแน่เลยเนี่ยจ้าวิธีการนะอยู่กันให้มีความสุขแล้วก็ตั้งสติก่อนสตาร์ทเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาหลักปฏิบัติตรงนี้ฟังให้ดีนะหลักปฏิบัติเวลาเกิดปัญหาเราเคยไม่มีปัญหาแล้วบางทีเราเครียดนอนไม่หลับมีไหม ประกาศปศาิดทราบภิกษุทั้งหลายเธอจงกังวลให้มากๆเถิดแล้วทุกอย่างจะดีไปเองถามว่ามีในพระไตรปิฎกไหมไม่มีไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่เล่นกังวลอยู่อย่างนั้นแสดงว่าไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วฝรั่งบอกว่าคนไทยโชคดีมากที่เกิดมาเจอพุทธศาสนาแต่โชคร้ายที่ไม่สนใจพุทธศาสนาตรงนี้เป็นความรู้สึกของชาวต่างประเทศเขา คนไทยโชคดีที่เกิดมาเจอพุทธศาสนาแต่โชคร้ายที่เขาไม่สนใจพุทธศาสนาโชคดีว่าพวกไม่สนใจไม่มีอยู่ในกลุ่มนี้เลยสาธุแล้วจริงๆก็มีนิดๆนะอาจารย์พอดีเพื่อนๆนมันชวนน่ะจะไม่มาเดี๋ยวมันเลิกคบมันชวนหลายรอบแล้วก็เลยมาเป็นเพื่อนมันอาจารย์จ้าปากนะอยู่กันให้มีความสุขหลักในการแก้ไขปัญหา คนบางคนกังวลทุกเรื่องแต่ไม่ยอมรับผิดชอบอะไรสักเรื่องมีไหมคนบางคนกังวลด้วยแล้วรับผิดชอบด้วยมีไหมคนบางคนรับผิดชอบเต็มที่แต่ไม่กังวลอะไรเลยมีไหมคนบางคนมันไม่กังวลด้วยแล้วก็ไม่รับผิดชอบด้วยมีไหมพวกเราจะเป็นกลุ่มไหนกลุ่มไหนดีที่สุดรับผิดชอบให้เต็มที่แต่ไม่ต้องกังวล เวลามีปัญหาอะไรก็ขอมือขวาจ้ะขอมือขวายกขึ้นมาทาแล้วว่าตามหน้าที่เป็นเรื่องภายนอกหน้าที่รือภายนอกการปล่อยวางเป็นเรื่องภายในมีปัญหาต้องแก้ไขแก้ได้หรือไม่ได้ใจก็ต้องปล่อยวางอาะนั้นเรื่องของใจให้ปล่อยวางเต็มร้อยแต่หน้าที่ข้างนอกก็ต้องทาให้เต็มร้อยแล้วก็ ขอมือกว่าอีกอย่าเอาความวุ่นภายนอกมาทําลายความว่างภายในเดิมใจไม่มีเรื่อ ง, องตีมันแรงๆให้มันตื่นขึ้นมาเดิมใจไม่มีเรื่อ ง, องคนโง่หามาเอ ง, คงเใครโ ง, งโง่ว่าตามฟังธรรมวันนี้ เลิกโง่ได้แล้ ว, ลลวรักนะหอยขม <c oughs> เอาเวลาดูดหอยขมแล้วดูด ด, ดังจุดๆไงขอเจะเล่นพอนะ <c oughs>